เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้วันที่สาบแล้วสาสบตุลาคมส5งพันเจ็ดนพระด้วยใช่ไหมวันนี้พร ะ, พระเล็กพระแปคำใช่ไหมอ้าววันก็เวลาก็เดินไปเดินไปผ่านไปผ่านไปชีวิตของคนก็ ล่วงเลยไปเรื่อยแล้วก็แก่ตายเปล่าไปเยอะมันน่าเสียดายชีวิตนะชีวิตของคนเนี่ยที่ว่าน่าเสียดายเพราะอะไรที่ตอตมามองในทัศนะของตอตมาน่น่าเสียดายเพราะว่าเอาชีวิตไปหลงไหลอ ย, อยู่กับลาบยศสันเสริญโลกีสุข ความลงไหลยอย่างนั้นเขาลงไหลกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้วแต่ละคนแต่ละคนลหลงไหลมาไม่รู้กี่ชาติต้องกี่ชาติแย่งชิงมุ่นอยู่อย่างนั้นล้สุขลงทุกข์อยู่อย่างนัน้ไม่รู้กี่ชาติอาตมาจึงมองเห็นโอ้ถ้าเราไม่ได้มาทางนี้ได้มาเห็นความจริงอย่างนี้เราก็คงไปหลงวนเวียนวุ่นวายอยู่กับไอ้โลกอย่างนั้นไปอีกนานเท่านาน ถึงพูดอาตมาถึงพูดถึงบอกว่าแม่มันน่าเสียดายาถึงพูดไปอย่างนี้ก็ไม่รู้จะใครจะรู้สึกใครจะสะดุดใจมั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันโลชีวิตก็ต่อสู้ดิน้นรนแย่งชิงไปอย่างนั้นแล้วก็หลงเสพที่อาตมาพยายามเอาสัจธรรมพระพุท ธ, ธเจ้ามาเปิดเผยหลงเสบอะไรลงเสพสุขเ ท, ท็จสุขลิกะ ลงเศษสุกเท็จลงไปเงี้ยน่ะเอจากพระแตาปิฎกหรือเปล่าที่ท่านบอกว่ามันเหมือนกับไอหมาเคี้ยวกระดูกแล้วก็กินน้ำลายตัวเองในพระแตาปิฎกหรือว่าเป็นใครพูดอาตมาก็ไม่ชัดเจนละอ่าเหมือนหมาเคี้ยวกระดูกอะมันก็เอากรดเคี้ยว ทขียวกบแกบกรบบไปอยู่นั่นแหะแต่มันไม่ได้กินอะไรจากกระดูกมันกินกลืนน้ําลายตัวเองกินน้ําลายตัวเองตัวนั้นมันไม่ได้อะไรถ้ากระดูกที่เขาแน่วิธีแล้วไม่มไม่มีเนื้อติดอ่าแทะออมีอ่พระตะบิโดกเหรออ่าแทะกระดูกที่มันไม่มีเนื้อไม่มีอะไรเลยแทะอยู่ในหน้าป้ายแล้วก็กลืนกินกลืนกินน้ําลายตัวเองไม่ได้อะไรเลย อาตมาไปแม่ น, นว่าจากพระเจปิฎกหรือว่าจากอาจารย์ใดพูดหรือเปล่าแต่ก็พอพผ่านจจำได้อย่างนี้ซึ่งมันจริงมันชัดเจนมาเออคนเรานี่หลงอยู่งั่นแหะน่าเสียดายชีวิตอาตมาพูดไปงี้ก็แม่ก็น่าจะฟังแล้วก็สนุนอะไรบ้างแต่ก็มันยากเหมือนกันแหละเพราะว่าคนเรามันจม จมอยู่ในห่วงของโลกรีมันฟังไม่ขึ้นหอกฟังฟังแล้วก็ผ่านห่วงไปเฉยๆมีปฏิพานปัญญาหลายคนก็ฉลาดนะฟังก็เข้าใจใเข้าใจแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ก็อย่างนี้ละคนะน่ะนะว่างกันเลยก็อย่างนี้สี่คนก็อย่างนี้นนะจะไม่มีอะไรเห็นไหมอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ เป็นโล ก, กุตตรธรรมเป็นอริยะที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ค้นพบเมื่อคนเราวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้นานับชาติแล้วก็วนเวียนอยู่กับทุกข์กับสุขนั่นแหละมีโลกีมีโลกีที่จะเป็นกุศลบ้างทำให้หลงทำให้หลงหลงอะไรหลงว่าเราก็ได้ง่ายได้ได้ไดลาบได้ยศได้สันเซิ มันไม่ยากนักเพราะนั้นก็เลยอยู่อย่างนั้นะอยู่กับภาครพีนปฏิบัติให้ตนเองเป็นคนดีนะคนดนีเสร็จแล้วก็ผลของกุศลวิบากั น, นั้นก็ทำให้ตนเองได้มีลากมียศดมีสันเสริญอะไรไม่ยากนักมีวิบากน้อยส่วนคนทำไม่ดีกับมีวิบากไปทุกทรมานมากมาย แต่คนที่หลงว่าตนได้ดีได้เซฟนั่นนะอย่านึกว่าตนเองไม่มีวิบากบาป ค, คนที่หลงหลงได้เสวยผลเสวยผลของโลกียกุศลเนี่ยเขาอยู่ในสังคมทุกสังคมเสวยผลในโลกียกุศลเนี่ยมันเป็นอัตรา อัตราของสังคมที่เป็นอัตรากันตั้งขึ้นมาเป็นอัตราของสังคมที่เอาเปรียบฟังดีๆนะโดยใช้จะทำอันนี้เป็นอัตราของสังคมที่เอาเปรียบพอพูดแล้วในี่ใครพอเข้าใจไหมว่าเอาเปรียบยังไงมันเป็นอัตราของคนชั้นบนเขาเป็นคนกำหนดนักการค้าน่ะเออ อะไรๆชมรมผมอค้าไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือสมาคมผอค้าไทยก็ก็หั้วกันกําหนดราคาตั้งซึ่งผอค้าพวกนี้มีจะตั้งราคาเพื่อที่เขาจะขาดทุนมีจะเพิ่มกําไรเพิ่มกำไรและอัตราเหล่านั้นมันช่อฉนมันเป็นการโกงในตัวหาทางเอาเปรียบในตัวนักธุรกิจก็ตาม ราชการก็ตามก็ระดับบนเป็นคนตั้งตั้งอัตราเงินเดือนเงินได้อะไรต่างๆนาน้นเอาเปรียบได้เปรียบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอันสิ่งที่มันซ้อนนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นอกุศลที่ซอนอยู่เป็นบาปเพราะฉะนั้นในชาติใดก็แล้วแต่ที่คุณมาได้เสวยบุญเสวยไม่วยบุญเสวยกุศลมันพูดผิดไปหมดแล้วในนี้ภาษาไทย คำว่าบุญนี่อาตมาก็พลอยผิดไปด้วยเพราะว่าเพิ่งมาสํานึกทีหลังนี่ว่าโอ้เพิ่งมาเห็นว่าไอ้คําว่าบุญนี่คนไทยเอามาใช้ผิดไปหมดเลยแล้วตอนนี้ก็เลยมาแก้อยู่ตอนเนี้อธิบายอยู่ตอนนี้ถ้าใครติดตามก็จะรู้เพราะเพราะาคำว่าบุญนี่แหละผิดพลาดถึงปฏิบัติธรรมไม่บรรลุธรรมกันจริงไม่บรรลุโลกุณธรรมหรือโลกอาดิยธรรมของพระพุทธเจ้าจริงนะ เทตมากำลังขยายความตรงนี้ในเพื่อให้เข้าใจว่าเมื่อคุณเองคุณได้ได้กุศลซ้อนมาอย่างนั้นก็ตามแต่ละชาติมาไม่ใช่ว่าคุณได้เสวยกุศลบรลลังกุศลที่คนมีวิบากกุศลของคุณมาแล้วได้เสวยผลเนี่ยคุณจะไม่ได้บาปไม่ใช่คุณจะได้ถ้าคนใดทำกุศลท่วมทนการกิน ภาษาไทยเราไปเรียกที่จริงก็กินกุศลเก่าไปเรียกบุญเก่าอ่ะกินบุญเก่าที่จริงมันกุศลเก่าไม่ใช่บุญบุญน่ยมันเป็นเครื่องชําระกิเลสเท่านั้นหมดแล้วก็จบไปหมดไปแต่คนที่ไม่สามารถที่จะเป็นโลกุตระทาโลกุตระไม่ได้ไม่เข้าปรมาติละกิเลสไม่ได้มันไม่เกิดบุญไม่ได้มีการทําบุญอะไรได้ไม่มีได้บุญได้แต่กุศล กุศลเป็นคุณงามความดีโลกี้ทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นได้กุศลคุณงามความดีนี่ก็มาทดแทนหรือว่ามาเสวยผลให้ผลได้เสวยบรลลังสุขบ้างบรลลังง่ายได้สะดวกบ้างเป็นโลกี้ไปแต่เสร็จแล้วมันก็ซ้อนอย่างนี้เพราะงั้นนานเข้ากินกุศลเก่ากุศลก็หมดแล้วไอ้สะสมอกุศลมันก็หมุนวนเวียนมาตามทวงนี้ใหม่คุณก็ลงนรกใหม่ เพราะฉะนั้นคนจึงดุลลงนรกขึ้นสวรรค์ลงนรกขึ้นสวรรค์โลกรีอย่างนี้วนอยู่อย่างนี้น่ะไม่มีใครเราสามารถจะอยู่สวรรค์ตลอดกาลนานไม่มีไม่มีจะกินบุญกินกุศลที่เราเองได้ทํำยังไงยังไงก็ยากคุณจะต้องทํากุศลให้ทับทวีท่วมท่ว ม, ว ม, วมคือไปไเรื่อยๆแต่ละชาติคุณรู้ได้ยังไงอ่ะคุณจะรู้ได้ง่ายๆรว่ากุศลที่คุณจะต้องทับให้หมันทวีจากสิ่งที่เรา มีอกุศลหรือมีบาปเก่าและไอ้ที่มันจะเป็นอกุศลใหม่ที่ซ้อนที่อาตมาอธิบายเท่านี้มันไม่เท่านี้นะความซับซ้อนเนี่ยมันไม่เท่าที่อาตมาอธิบายมันมีซ้อนมากกว่านี้นี่ยกตัวอย่างไป็นแง่เดียวให้ฟังว่าเป็นการช่อชนที่ผู้ได้เปรียบเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่เอาเปรียบโดยการพูดแต่แก้ตันอัตราให้ตัวเองเท่านั้นอันอื่นๆมีอีกเยอะแยะเลย ในภาวะที่เอาเปรียบของสังคมเนี่ผู้ที่อยู่ฐานบนได้เปรียบผู้ฐานล่างเนี่ยมันเยอะเนอะเพราะฉะนั้นมันจึงสรุปลงที่ไม่เที่ยงคุณจะเป็นสุขคุณก็ไม่เที่ยงหรืชาตินี้ชาหน้าหมุนเวียนลงนรกขึ้นสวรรค์ว น, น, นเวียนอยู่นั่นแหละอีก ก, กี่ชาติก็นานับชาติดีไม่ดีเพล่เพอบางครั้งบางคราวก็ไปทําร้ายทำลายทำเลวนัดโอ้โหที่นี้ทรมาน ทุกหนักนรกหนักทรมานหนักมุนเวียนอยู่ยงั้นสรุปแล้วมาหน้าเบื่อเ <c oughs> พราะสุขหลอกถ้ามาศึกษาสัจธรรมเราจะเห็นว่าสุขัลิกะควาพระเจ้พระบุตรเจ้าที่ตรัสเนี่ยอาตมายังดีนะว่ายัางได้พยัญชนะนี่มายืนยันแม้ดังนั้นอาตมาพยายามแยกพยัญชนะในฝังว่าสุขก็บอริกะ <c oughs> สุขอลิกะอัล re ิกะคือความเท็จความหลอกความไม่จริงมันเป็นสุขเท็จสุกหลอกไม่จริงอัตมามายืนยันว่าเนี่ยพยัญชนะยืนยันชัดท่านก็ไปศึกษากันยังไงไม่รู้ในภาษาพยัญชนะของที่ท่านเรียนกัน ในวิชาเรื่องภาษาศาสตร์ของท่านภาษาบาลีเนี่ยท่านก็ว่าอาตมาแยกผิดอาตมาพูดนี่ไม่ถูกแต่อาตมาว่าอาตมาพูดไม่ผิดมันมีหลักฐานอื่นๆที่ยงยยเยอะไม่ต้องเอาอะไรเราแค่แต่ว่าการมาสุขลิกะกับอัตตา ก, กิเลมัตะนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วที่อาตมาอธิบายได้ว่าการมาสุขลิกะคืออย่างไร ตักกิลมตะคืออย่างไรแม้แต่แตัตะ ท, ะ ท, ะทะัฐสุขสุขที่เป็นอัตตาก็อยู่ในการมัสุขาลิกะซ้อนคืออย่างไรอัตมามีสภาวะอัตมาอธิบายได้ก็อธิบายไปบ้างแล้ว mm hmm. แต่วันนี้คงจะไม่ได้อธิบายเรื่องนี้อัตมาเจตนาวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องประมาทในเรื่องของสมาธิสัมมาสมาธิที่จะขยายความนะเอาวันนี้ ก็ขอพูดทิ้งไว้เท่านี้เองว่าน่าเบื่อในชีวิตนะเพราะฉะนั้นก็เตือนสติผู้ที่ท่านสเสวยสุขอยู่ก็ตามทุกวันเนี้ยสุขสบายอ่าเจริญเปไ็นเลยลาบยศสันเสริลโรกีสุขอะไรก็ตามศึกษาธรรมะเถอะมันเป็นที่พึ่งอันสุดยอดไอสิ่งเหล่านะั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งถาวรนอะไรล็อกชัวระยะหนึ่งอย่างเดียวชาติหนึ่งชา ต, ติต่อไปก็ไม่แน่ าอาจจะสองชาติสามชาติก็ตามแต่กะมวลเวียงอยู่นี่คนเราเกิดมานานับชาตินับเป็นห้วดอกมันเป็นล้านล้านชาติมาแล้วกันทั้งนั้นเน่ยนซึ่งคนก็เข้าใจยากเกิด ล, ล้านชาติมไม่รู้ไม่รู้หรอกก็มาศึกษาดีๆแล้วเราจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าโอ้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งมันไม่ได้ยาวเลย ร้อปีตาย200รปีตายมันไม่เร็วเลยเอ้ยมันไม่ได้นานเลยมันดิดเดียวเดียวเดียวแต่ว่าแต่สงสารนี้มันโอ้น้าไม่ท่วนมันกี่ล้านล้านล้านปีนะก็ขอเกริ่นเตือนสติไว้เท่านั้นก่อนก็แล้วกันอันนี้มาเข้าที่อาตมาเจตนาจะอธิบายคือสมาธิสัมมาสมาธิวันนี้นี่นะ จะเจาะลึกหรืออธิบายให้ฟังทั้งองค์รวมแล้วก็แนวลึกของเนื้อสาระสัจธรรมผู้ที่ฟังทางบ้านก็จะส่งคำถามส่งคำอะไรก็ได้แนะนำก็ได้จะถามจะไทยะจะติจะเตียนอะไรได้ทั้งนั้นนะจะส่งมาะจะแสดงความเห็นอะไรได้ทั้งนั้นส่งมาทางโทรศัพท์สองหมายเลข ซึ่งก็ใช่มาแล้วหลายวันและหลายครั้งแล้วก็บอกทวนอีกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งมาได้ในรายการนี้เฉพาะรายการนี้น ะ, ะวันนี้ก็สองหมายเลขอย่างเดิมถ้าใครจําได้วันก่อนนี้ก็ยังหมายเลขเดิมคือ0892660574นดนั่นหมายเลขอันนึง นะ0892660574กับอีกหมายเลขนึงคือ082นะอีกหมายเลขนึง0824430271นะ0824430271นะสองหมายเลขทนะวนอีกทีเียว089 2660 5 7กกับ0 82 4, 4์3 0 71อ่านเ่ั่นเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่ง อ, ะ, อะไรจะใรมาเข้ามาในรายการนี้ได้ท่านรับโทรศัพท์ได้เดยท่าจะเขียนส่งมาให้ท้ายรายการอาตมาก็จะคุยด้วยตอบด้วยสำหรับการสัมพันธ์กับผู้ที่ชมทางบ้านที่จะได้ โอภาปราศัยกันไปอาทิต น, นี้มาเข้าสู่เรื่องที่อาตมาจะอธิบายเรื่องสัมมาสมาธิเราเรียกสมาธินี้ว่าสัมมาสมาธิซึ่งคําว่าสัมมาสมาธินี่เป็นของพระเจ้าตรัสโดยตรงนะโดยตรงนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยตรงเพราะคําว่าสมาธินี่เป็นคํากลางๆมีทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีสมาธิแบบ ทาวรคือนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปสู่พวังเนี่ยเป็นสมาธิทาวรเป็นสมาธิที่มีอยู่ตลอดกาลนานเริ่มต้นเมื่ อ, อไรไม่รู้และก็ยังไม่เห็นจบทุกทีไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติมาแล้วอัตารยก็เจอเงียพระพุทธเจ้าออกบวชตามธรรมเนียมตามจารีประเพณีคนนิยมกันยุคนั้นว่าออกไปบวชแล้วจะต้องปฏิบัติยังไง ท่านก็ไปบวชนั่งสมาธิตามเขาเนี่ยไปพบอารานดาบทอุตุกดาบทกรพานนั่งจานสองจนสี่จนห้าจนแปดแต่ละานท่านก็นั่ ง, งตามเขาท่านก็บอกว่าไม่ใช่สมาธิอย่างนี้มันจะของพุทธปฏิภาณของท่านก็รู้แล้วซึ่งทั้งๆที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นนะธรรมมาของพระพุทธเจ้าสัมมาสมาธิก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้ภูมิดเดิมของท่าน ท่งอาตมากอ็อธิบายแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ท่านสังสมบา ร, รมีมาครบแล้วท่านเป็นสยามภูแล้วท่านเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เป็นศาสนาพุทธนี่เองแล้วได้มาแล้วะสะสมมานานับชาติก่อนจะมาเกิดเป็นเจ้าชายศิษถธธะเนี่ยท่านมีธรรมะที่เป็นของพุทธเต็มมาแล้วมีสมาสัมพธิยานครบแล้ว สมาธิสัมปทิยานครบแล้วเรียกว่าพุทธการกฐธรรมธรรมะที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าครบแล้วท่านมีแล้วเึิญอาตมาก็พยายามอธิบายแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจกันยากสําหรับผู้ที่ผู้ที่เข้าใจยากนะเนาะสำหรับผู้ที่เข้าใจง่าย<ๆ>เขาจะเข้าใจได้อ๋อย่างงี้เลยท่านสะสมมานานับชาติชาติที่เป็นเจ้าสาชายสิท ธ, ธะเนี่ยท่านไม่ได้สะสมไม่ได้ประพฤติทธรรมของพระพุทธเจ้าเลย ไม่ได้พุทธธรรมของพุทธเลยเพราะมันไม่มีพุทธมันไม่มีข้อปฏิบัติแบบพุทธเหลืออยู่เลยในยุคที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอุบัติขึ้นมาประสูติมาเป็นเจ้าชายเศรษฐาบน ะ, ะเพราะฉะนั้นท่ากลไปตามยุคนะยุคยังถ้ากลับไปตามโลกเขาเลวะอิลิงลมอมก็พองเขาจะปฏิบัติทางโลกรีท่างก็โลกรีไปตามบารมีของท่านน่ยท่านก็มีวิบากอะไรท่านก็วางของท่านไปก็รับไป อาจจะต้องไปแต่งงานจะต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรทั้งกวางตั้งตามีบิบากรรมท่านไปทำนั่นแหละปัญ ช, ชีพของท่านที่ผ่านไปนะจนกระทั่งไปมีลูกคนหนึ่งจนกระทั่งไปเจอเทวทูตสีอะไรเนี่ยมันถึงเป็นจุดสดุดในท่านนึกว่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่หรอกแต่เทวทูตสี่ก็มีสมณะทางออกโอ้ต้องอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ไม่พา ท, ทุกถ้าอย่างนี้ทุกแนะ่มันก็เป็นจุดที่ทําให้ท่านต้องออก เมื่อท่านออกมาท่านก็ไปปฏิบัติทางผิดอีกแหละเข้าปา่าเขา้าทับเขา้เข า, เขาป่าไป ป, ปฏิบัติตามที่ก็ปฏิบัติกันยังนิยมกันยุคนั้นเหมือนกับยุคนี้ก็นิยมกันปฏิบัติออกป่าซึ่งไ ม, ไม่ใช่ทางไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่สัมมาสมาธิเดี๋ยวอัตมาจะได้อธิบายขยายความมันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิถาวรสมาธิคลองโลกเป็น general สมาธิเป็นสมาธิทั่วไป ที่เขาใช้กทั่วโลกอะ่ะปฏิบัติลุสสีศาสนาไหนก็ใช้วิธีนั่งอย่างงี้ที่เรียกเมดิเทชันอะไรเนี่ยนะทั่วโลกศาสนาอื่นๆก็ใช้ศาสนาไหนก็ใช้ไม่ศาสนาก็ยังใช้เลยวิธีนี้นะก็ถือว่านั่งสมาธินะแล้วก็บอกว่าสมาธิเป็นอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่เรียกมาทําไม่ไม่ไม่เรียกท่านเขเรียกของท่านว่าสัมมาสมาธิ อัตอมาขยายความค้างมาว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาเป็นเจ้าชายเศรษถาท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเพราะมันไม่มียังไม่มีท่านเองของท่านพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมทั้งหลายแหลก็ยังไม่ขึ้นมาท่านยังไม่ตัดสู่ตั้งตั้งที่คนบอกว่าท่านนี่แล้วจะตัดสรู่เป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติมาก็มีพรามณ์ตำนายก็มีอะไรพรามณ์แก่ที่ต้องกราบอา่กราบอา่าอะไร ชื่ออะไรอะที่มาเจอเขาหรอกพอเห็นทธรักษณะแล้วบอกโอ้ใช่พระพุทธเจ้าพรามอะไรพรามแก่ที่กราบแล้วก็ร้องไห้เลยอะอ่าะว่าเพราะว่าเพุทธบิดาก็ตรัสถามว่าเอ้าร้องไห้ทำไมเล่าอ่าโอ้ยร้องไห้เพราะว่ามันแก่แล้ว เพราะว่านี่ท่านจะต้องตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตท่านแล้วก็ท่านพรามท่านก็จะบอกท่านเส้นดายท่านจะต้องตายก่อนอเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่รับธรรมะอันนี้เพราะท่านจะต้องตายก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสรู้นั่นแน่รู้ซะด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าจะต้องก่อนจะได้ตัดสรู้เขาต้องตายก่อนแล้ว ซึ่การปฏิบัติธรรมพวกนี้เขาก็เขาก็พอมีความรู้ของเข้าเหมือนกันสรุปแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยมันมีองค์ประกอบอะไรมันพร้อมทุกอย่างแต่ท่านก็ยังไม่รู้พระพุทธเจ้าน่ะพราหมณ์ทํานายว่าเท่าไหร่ที่บอกว่าท่านน่ะแต่เป็นพรุทธเจ้าท่านบอกว่าเอ๊ะเป็นพรุทธเจ้าท่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมะของพุทธพุทธศาสนามันเป็นยังไงพุทธศาสตระนี่มันเป็นยังไงท่านก็ยังไม่รู้ท่านก็ต้อง ออกบวชอายุยีิบกก็ปฏิบัติตามทิพทางผิดอีกตั้งหปีเพราะท่นก็พูดที่เข้าใจไม่ถูกต้องก็ไปถือว่าการปฏิบัติที่ออกป่า6ปีนั่นแหละปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะตรงทรมานตรกรรมอะไรทุกขกรรมยาต่างๆางั้ยนนะ่ะซึ่งมันผิดหมดไม่ใช่ของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเลยปฏิบัติมากองแปดปฏิบัติอยู่ในอยู่กับสังคมไม่หนีหนี้ไปไหนเลย ตามลำดับเบื้องต้นทํากลางมันปลายศีลเบื้องต้นเป็นตัวกําหนดแล้วก็ไปตามศีล โ, โซดาสกิตาอย่างศีลหน้าเนี่ยปฏิบัติตามกรอบแค่นี้ได้โสดาบัณฑ์ศีลแปก็ได้สกิตาคามีศีลสิบก็ได้อนาคามาีหรือศีลโอวาตปาติโมกไปกว่านั้นเป็นพระ อ, อรหันต์อย่างนี้เป็นต้นศีลเป็นตัวกําหนดกรอบตามเบื้องต้นทํากลางมันปลายลาดลุ่มเหมือนฝั่งทะเลไปตามลําดับ แต่ไม่เข้าใจทุกวันนี้มันเพียนแล้วจนกร็ต้งองไปออลรหันเลยออกไปนั่งสมาธิกันเต็มป่ า, าตายทิ้งในป่าเยอะเสร็จแล้วก็ไปได้มิจฉาสมาธิไปได้มิจฉานิโรธก็หลงกันว่าเป็นสัมมาสมาธิสัมมานิโรธขออภัยอาตมาพูดตรงพูดชัดเจนพูดเปียงๆ เ, เลยอัสสิติดาบทขอบคุณ นะอสัตติดาบทนะมาเข้ามาพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาสีตะพราหม์ทํานายไปได้ข่าวได้ข่าวก็เลยมาเยี่ยมมาเห็นก็โอโ้โหสอดคล้องกับตําราที่ตัวเองเรียนใช่แน่นอนเห็นพระพุทธเจ้าแน่นะอะไรเงี้เป็นตน้นสิ่งเหล่านี้มันมีของจริงมันเป็นเรื่องจริงนะบารมีของท่านทวนถึงแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะั้นในพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสรูปแล้วก็ขอสรุปท่านจะตัดสรุปแล้วท่านก็จะมีสิ่งเดิมเมืท่านขึ้นมาก็ในวัน15บห้าค่คำก็จะสาค่ำเดือน6ที่วันตัดสรูปนั่นแหละท่านก็ย้อนระลึกชาติไปถึงได้เจอว่าอ๋อท่านเกิดเมื่อนั้นเมื่อ น, นี้นนแหละเป็นวันที่จะได้ตรัดสรูปวันวันที่ธรรมมาของพุทธขึ้นมาเต็มที่ ยามหนึ่งยามสองยามสามรู้หมดว่าโอ้เราเป็นใครเป็นพระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้เองพุทธการกตธรรมเป็นเช่นนี้หลักธรรมสาคัญเป็นเช่นนี้ของพูดเป็นเช่นนี้นะเลสสันตรมันพระทตยเลยโอ้เราเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุที่บารมีได้อย่างนี้เองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ เป็นอจินไตเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะพูดกันง่ายๆขออภัยอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเป็นโพธิสัตว์กว่าอาตมาจะรู้ตัวก็อายุสามสเหมือนกันแต่ขออภัยนั้นไม่ได้เทียบกับพุทธเจ้านะอาตมารู้ตัวนี่ก็แบบของอาตมาตามบารมีอาตมาไปสุดท้ายอาตมาก็มาอาตมาถึงเข้าใจว่าอ๋อเราไปหลงอยู่กับโลกอาตมาถึงเรียกว่าลิงลมอมก็พอง ในช่วงที่เราลงไปตามโลกเราไปตามวิบากของเราแล้วก็ลงไปตามโลกเหมือนกับคนเห ม, มือนเหมือนชาวโลกธรรมดาะจะมีบา ร, รมีมีเก่งส่วนนั้นเก่งส่วนนี้หรือว่าไม่เก่งในทางโลกีอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่ส่วนที่เก่งทางโลกีก็เก่งส่วนที่ไม่เก่งทางโลกีก็มีเช่นทางกิงเกตต่างๆเมันไ่เก่งหรอกแต่ในเรื่องสมรรถนะในเรื่องความรู้ขอามา玛เนี่เก่ง สัตว์มันยังไม่เก่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าตั้งโหเรียน18วิชานะเก่งที่ยมหมดนะภาษาสมัยใหม่ชนะหมดนะอะไรงี้เป็นต้นในะยุคนั้นมันมีแค่นั้นถ้ายุคนี้ก็โหเรียนหมดเลยนกี่วิชากันนะกี่คณะกี่วิชาโอโหเรียนไม่ไหวไม่ไหวแล้ ว, วตายหมดเลยตัยเรียนหมดตายก่อนอ่า <c oughs> นะแล้วเป็นสมัยนี้เนาะอะไรงี้เป็นต้นแต่ในเรื่องที่จะเป็นโลกรีนีด มันก็ได้ๆอย่างนั้นไม่ก็เก่งหรอกอย่างอัตมานี่ไม่เก่งอย่างสิี่ลอยฟังจะไปอบายยมุกก็เข้ามันก็ไม่ได้เรื่องจะไปอะไรก็ไม่ได้เรื่องโอ้ผมเขาครอบงำมันโลกมันครอบงำมันต้องอย่างนี้เป็นแมนมันต้องงี้อะไรเงี้ยโอ้โหต้องไปกินเหล้ากินยาต้องเล่นอะไรต่างๆนานาต้องเจ้าชู้ไก่แจ้อะไรไปโอ้สารพัดเราก็ถูกหลอกโลกมันหลอก แต่มันก็ไม่เก่งเลยทําอะไรก็ไม่ได้เดิสู้เขาไม่ได้เราบอกเออเราก็คนเหมือนกันทําไมว่ามันสู้เขาไม่ได้มันสู้ไม่ได้จริงๆอ่าชั่วไม่ขึ้นนี่เป็นสัจจะผู้ตรงๆอย่ป ม, มันไส้เลยมันชั่วไม่ขึ้นอ่แต่พอดึองดีพอได้อย่างนี้เป็นตน้นนี่เป็นสัจจะที่เป็นกรรมวิบากแต่ละคนแต่ละคนเอาทีนี้เข้าสู่เรื่องทีนึงมัจะยาว สมมาสมาธิของพระเจ้านี่ท่านตรัสไปเยอะเหมือนกันตรัสไว้ในสูตรนั้นสูตรนี้อะไรต่างๆนา น, ๆนาที่บอกว่าจะต้องปฏิบัติมรรคเจ็ดองเนี่ยอยู่ในปฏิปิฎ ก, กพวกเราก็เอามาให้มีเยอะเหมือนกันสูตรนั้นสูตรนี้ต่างๆในเล่มนั้นเล่มนี้อาตมาก็ปรับมาก็ค่อยๆตรวจดูที่บอกว่าการปฏิบัติ สมาี่พุทธเจ้านั่นปฏิบัติโดยมรรคเจ็ดองตัดไปในสูตรต่างๆหลายสูตรแต่สูตรในพระไตรปิฎกเล่ม14มหาจัตตารีสุสูตรเนี่ยมหาจัตตารีสะเนี่ยแปลว่า40สอสสูตรนี้แหละอาตมาว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะเล่ม14ข้อ ตั้งแต่ข้อ252ถึง281อัตมาจะขยายความร้อยมาลัยจากสูตรนี้ปฏิบัติมรกองคแปนในปฏิบัติอย่างไรที่บอกว่าปฏิบัติมรกเจ็ดองก็คือปฏิบัติตั้งแต่สมาธิธจนถึงสมาสติแล้วก็จะเกิดสังสมลงเป็นสมาสมาธิ สมาธิสัมมาสัง ก, กัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติเจองค์มาก7องค์สัมมาสติกับสัมมาวายามะอันนึงมีสตินำต้องมีสตินำเป็นตัวปฏิบัติถ้าสติไม่ขึ้นก่อนไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็มีวายามะเป็นความพยายามเป็นอิทธิบาท ต, ต้องช่วย ตามสมาสมาธิวิสมาธิสมาธิที่ที่เป็นประธานต้องเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นที่เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจทิฏฐิหรือมีทฤษฎีทิฏฐิในบาลีบาลีถ้าศาสนกรทิฏฐิในภาษาบาลีทิฏฐิถ้าภาษาศาสนากรทฤษฎีทฤษฎีนี่แหละหลักเกณฑ์หลักการสูตรจะต้องปฏิบัติ ตามสัมมานี่เป็นเบื้องต้นนะแล้วก็ภาคปฏิบัติจริงๆก็ปฏิบัติสังกปะวาจากรรมันตะอาชีวะซึ่งปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจาวันคิดอยู่ได้สังกปัปปพูดอยู่ได้พูดอยู่ก็สร้างสม า, สมาธิการกระทำทุกอย่างกรรมันตะก็ทำสมาธิการทำงาน อาชีวะเลี้ยงชีพธรรมดาการงานประจำวันประจำชีวิตเรานี่แหละไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องไปนั่งหลับตาไม่ต้องไปหาที่พิเศษสมาธิของพระเจ้าไม่ต้องไปหาที่พิเศษต้องไปนั่งสงบหาที่สงบสงดและก็นั่งสมาธิแล้วก็เพ่งกรสินไม่แต่เพ่งจิตเพ่งอ่านจิตในจิตเพ่งอ่านจิตในจิต จิตในจิตตัวแรกที่อ่านเรียกว่ากายหูหักัหมจิตตัวแรกที่อ่านเรียกว่ากายในกายอย่างนี้เป็นตน้นาขึ้นต้นนี้ไก่อนกลับไปอธิบายสังกปะวาจากรรมต่างอาชีวะสีกรรมเรียกว่ากรรมสังกปปะก็คือมโนกรรม สัมมาวาจาก็คือวาจาวจีกรรมสัมมากรัรมมันตะก็คือกรรมทุกอย่างทั้งมโนทั้งวาจาทั้งกายกรรมสามกรรมด้วยกันเรียกว่าสัมมากัมมันตะไม่ใช่เฉพาะแต่กายทั้งสมอย่างเลยกัมมันตานี่คนเข้าใจผิดว่านี่มันกายไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ครบมันรวมทั้งวาจาและ อ้าวถ้าข้อสังเกตสิถ้าเผื่อว่าจะเอาแต่กายทำไมทําไม่เรียกกายสมากายยาละ่ะถ้าไปได้ีสมากรรมมันตะทําไมละ่ะสี่สมาวาจาท่านก็นสมาวาจาสมาสังกปะท่านก็นไม่เรียกมันก็สังกปะกับความนึกคิดแหละมันไม่มีปัญหาอะไระความนึกคิดวาจาคือคําพูดถ้าบอกว่ากายกายวาจาใจก็นี่ก็ต้องสมมากายเลยแต่ไม่ใช่สมากรรมมันตะ ท, ทุกอย่างรวบรวมเลอันตะทั้งหมดทั้งหมดอันตะคือทั้งหมดทั้งหลายรวบรวมหมดนะแล้วก็สมาอาชีวะคืองานประจาเรียยงชีวิตเราทำใครจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ปกติกคจะทำงานอะไรก็ตามก็ต้องไล่มาตั้งแต่งานสมาอาชีวะนี่แหละไล่มาอาจะมาจงไล่มาก่อนนะสมาอาชีวะคือท่านแยกสม มิจฉาอาชีวะไว้หอันนี้อตาตมาเอาจากมหาจัตตารีสกสูตรมาพูดเลยนะที่แยกไว้มิจฉาอาชีวะหเนี่ยก็อยู่ใน ม, ม, มหาจัตตารีสูตรจักสูตรนะมิจฉาอาชีวะหกัมมันตะสวาจา4ีนะมิจฉาเนี่ยมิจฉาวาจาสีมิจฉาสังกปปะสามิจาสังกัปปะสาวาจา4มา 3, นะีมิ 3, าจฉ า, ากัมมันตะสาม มิจฉาอาชีวะหาอาตมามาทํางานาศาสนาเนี่ยอาตมาก็ก่อนมาทํางานจนกระทั่งมาทํางานาศาสนาอาตมาไม่เคยเห็นใครอธิบายมิจฉาอาชีวะห้านี่เลยไม่ว่าอาจารย์ไหนสํานักไหนไม่เคยเสํานักไหนอธิบายอาชีพนี่คืองานเลี้ยงชีพก่อนอื่นเพราะฉะนั้นผู้จี่จะมาปฏิบัติธรรมพระเจ้า เลิกอาชีพที่เป็นกุหนาละปะนาที่เป็นมิจฉาชีพรายการเลวชั่วบาปก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยกุหนาท่านแปลง่ายๆแบบโกงละปะนาท่านก็แปลว่าหลอกลวงละปะนาปะละปลประวัติคาพูดนะหลอกลวงแท้จริงก็คือมันมีน้ำหนักน้ำหนักของกุหนาเนี่ยเป็นชั่วหนักชั่วยาบ ช่วยหยาบจะไปในทางอบายอบายยมุกหยาบอันนี้ก็รู้กันง่ายๆพื้นๆแต่อบายยมุกลึกก็คือพวกที่เอาเปรียบอารัฐสังคมกิเลสโลภจัดรุนแรงตะกละตะกรามในทางโลกหรือในทางใช้อำนาจบาทใหญ่ทำร้ายคนอื่นอย่างเลือดเย็นมันซ้อนมันซับซ้อนเช่นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจอยู่ทางบนที่มีอำนาจทำลายคนอื่นชนิดที่เรกว่าไม่ต้องทำเองหรอกไม่ต้องทำเองแต่เราเป็นต้นเหตุแต่เราเองบางทีก็ก็ให้พวกเนี่ยทำไม่มีใครรู้แต่ทำบาปยาบชาหรือแม้แต่โลภจัดโลภอย่างทุจริตด้วย องนี้โกงทั้งเจ็ด0 0นล้านในสุดมหาอภิมหาบายมุกเลยโกงเจ็ดแ 0,000 000, น 000. ล้านนี่นะใครจะร่วมด้วยก็แล้วแต่ก็แชร์กันไปก็แล้วบาปอะ่ 7, 000, 000, อะเจ็ดแ0นล้านน่ะใครเป็นตัวการใหญ่ก็เป็นตัวตั้งตัวหัวหน้าเอาไปมากกว่าเขาหน่อยเอาไปมากกับเขาหน่อยนอกนั้นก็ตามตามก็แชร์กันไป ด้วยสัจจะมันก็ยากมันก็มาจินใจนะกรรมพวกนี้มันยากอย่างนี้เป็นต้นหรือนักธุรกิจอย่างทุกธุรกิจที่โอ้โหมองเมาคนให้คนคขายาพิษค้าน้ําเมามัจฉาวณิชาพิษวีสวณิชาพวกนี้เป็นมิจฉาอาชีพมิจฉาทางพาณิชย์สัตวาิชาค้าอาวุธค้าสัตว์สัตตะวณิชาค้าสัตว์เป็นมังสวณนิชา ฆาเนือสัตว์พวกนี้ท่านจัดไปชัดแล้วพวกต้องเลิกเพราะมันเป็นบาปทั้งสิ้นเลยฆ า, าวุธิเนี่ยคืออาหารสิ่งที่เอามาฆ่ากันนะมันไม่บาปได้ยังไงคุณไปจุกกิจา ก, การวุ่นกาวงจอนของมันทำไมวงจรบาปอาวุธมันฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ไม่ใช่ฆ่าค้าค้าขายสัตว์เป็นเนี่ยบาป มันเป็บาสที่ซับซ้อนอัตมากไม่ขออธิบายซ้อนวันนี้ค้าขายเนื้อสัตว์เป็นยิ่งซ้อนเลยค้าขายสัตว์เป็นยังบาปน้อยกว่าค้าขายเนื้อสัตว์นะค้าขายสัตว์เป็นในบางีค้าขายสัตว์นี่ก็ไปเลี้ยงก็ไปทําการทํางานทําประโยชน์แต่ค้าขายสัตว์เนื้อสัตว์ในค่ามันมาขายเลยนะจบเลยนะค้าขายเนื้อสัตว์มันบาปกว่าค้าขายสัตว์เป็นอีก แล้ก็บาปพอกันหรืมิจฉาวณิจชาห้า่าขายสิ่งที่เป็นพิษบีสะวณิจชาค่าขายสิ่งที่มอมเมามัจฉวณิจชาบาปด้วยระดับเดียวกันเลยกับค่าอาวุธค่าเครื่องไปฆ่าคนหรือฆ้าสัตว์ค่าเนื้อสัตว์ซึ่งคนไม่เข้าใจไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องง่ายง่ายเลื่อนพื้นเป็นชาวพุทธจะไม่ค้าพวกนี้นี่คืออาชีพบาป มิจฉาวณิจฉาห้านี้เป็นต้นกูหนาไอ้ที่มันหยาบที่อาตมาพูดไปแล้วว่าขี่โกงเกี่ยวทุจริตเอาเปรียบเอารัดอะไรก็แล้วแต่จัดจ้านหรือโทรศอาชีพรับจ้างฆ่าคนก็แน่นอนมันก็ลงบาปแน่อาชีพตั้งบล์อาชีพอะไรแล้วแต่พวกเนี้ยอาชีพอบายมุกต่างๆแม้แต่อาชีพดาราอาชีพนักกีฬาที่จัดจ้านแล้วก็ หลอกคนเอารายได้แล้วก็มาเสวยสุขบุมเลอตัวเองให้กิเลส ต, ตัวเองนี่หนามันซับซ้อนตัวเองไม่รู้เราตัวเองกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นหนา ข, ข, ขึ้นติดโลกีเข้าไปโอ้โหซับซ้อนซับซ้อนได้พระองค์เรียกว่าเป็นศิลปะอะไรงี้เป็นต้นซึ่งซับซ้อนเยอะอาตมาไม่มีเวลาจะอธิบายมากมายแต่อาตมาก็ค่อยขยายความไปตามเรื่องอ แล้วคนจะชังน้ำหน้านะซึ่งอาตมาก็จำนน์ชังก็ชังแต่ขอเปิดเผยสัจธรรมเท่านั้นเองใครเข้าใจใครแก้ไขปรับปรุงก็ได้ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ไป <c oughs> ทางใครไม่แก้ไขก็บาปใครบุญมั่นมันธรรมดานะสรุปแล้วกุหนาะระปนานะอาตมาจะสรุปสรุปหน่อยไม่ไงั้นมันจะเยินเยินจนไม่ได้เข้าเนื้อเลยต้องเลิกก่อนหยุดก่อนเลย เพราะมันเป็นบาปหยาบบาปนี่คือกิเลสมันเป็นการสร้างกิเลสสะสมไปให้แก่ตัวเองทุกทรมานไปอีกไม่รู้กี่ชาติเริ่มต้นแต่อันที่สามนมิตกะตาเนมิตกะนี่แปลว่าการเสี่ยงโชคแปลว่าการทำนายอะไ ร, ะไรต่อเสี่ยงโชคคืออะไรคือคุณจะต้องมาปฏิบัติ ต, ตามหลักเกณฑ์ของเจ้า จะบรรลุหรือไม่บรรลุจะได้ผลหรืไม่ได้ผลก็คือเสียงแล้วแต่มีทางที่จเจริญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการเสี่ยงการพนันไปเสี่ยงทายอะไรแต่ในผลนั้นมันไม่ใช่โชคมันเป็นเรื่องของคุณงามความดีมันเป็นเรื่องของปรมาติตมันเป็นเรื่องของเข้าหาทางผลนทุกในมิตรกตาเพราะฉะนั้นก็มาทำเริ่มต้นเบื้องต้นก็ศีลสมาธิปัญญา เรืออธิศีตอธิจิตอธิปัญญานี่เป็นหลักการศึกษาของพระพุทจาศาสนาพุทธทั้งนั้นทั้ ง, งหมดนี่อยู่แค่เนี้ยเขาต้องมาตั้งต้นศีลเป็นเกณฑ์ของแต่ละบุคคลตามฐานะเพราะไม่ต้องไปนึกว่าตัวเองมีบุญบารมีมาเก่าหรอกเริ่มต้นศีลท่านี่แหละถ้าคุณมีบารมีมันง่ายมันพ้พระพุเลยมันก็บรรลุธรรมมันพาดชั้นไปเลยปฏิบัติเธอจะรู้ตัวดี หรือจะฟังทมก็จะเข้าใจอ๋อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมันเป็นอย่างนี้เองเหรอตัดตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าคนสนใจเป็นเบื้องต้นตามมูลนูตรมีฉันทะถ้าไม่มีฉันทะไม่มีความยินดีที่จะปฏิบัติธรรมแน่นอนคุณไม่มีทางหรอกคุณจะไปทำตามนามคุณจะบอกโอ๊ยไปตามเพื่อนตามฟูมตามสังคมบ้างไปหาศาสนาไปหาพระไปตามวาระตามกาละไม่ไม่มีทางได้หรอก มูลสูตต้องมีชนตะเป็นมูลแล้วมันเราต้องมาศึกษาให้มนตรกการให้ทำใจในใจเป็นที่อาตมากาลังพูดนี่คือสมาสมาธินี่คือการทำใจจัดการกับใจของเราให้เป็นถ้าคุณเข้าไปถึงใจไม่ได้แล้วก็จัดการในใจให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันกิเลสลดนั่นแหละสรุปง่ายๆคุณทำไม่ได้คุณไม่มีทางนี่ย่าไปบรรลุอารยะบรรลุอลหรหันต์อะไรได้หรอก คุณไมต้องมาศึกษาอย่างนี้จริงๆเมื่อในมิตตกตาตั้งต้นและคุณก็เริ่มปฏิบัติไปจะได้ไปตามระดับโซโดาศกิตาอนาคารอาหารไปตามระดับนั้นในคอสรุปผ่านเลยเมื่อคุณได้ขั้นหนึ่งคุณก็บริสุทธิ์คุณก็อยู่ในสังคมคุณอย่าไปมอบตอนในทางผิดมิจฉาชีพข้อที่ส นิปเปสิกตาคุณบริสุทธิ์แล้วคุณอย่าไปเป็นเครื่องมืออย่าไปช่วยคนที่เขาผิดเป็นบาปเป็นนรกอยู่ที่คุณก็จะรู้คุณก็จะไม่ทาแหละแต่ถ้าเผอว่าคุณยังกิลเลสแรงเฮ้ยเ <"He i, S 2> ขาให้เงินดีเขา อ, อะไรดีบทต้นตน้ตนมันจะเป็นบ้างโสดาบานี่ถูกหลอกนี่ได้ระมัดระวังอดทนเอาอย่าไปเป็นเครื่องมือของพวกลงนรกกุหนาปปนาเลิกมาได้ ปฏิบัติเซนย่เป็นโวดาบันแล้วคุณจะมีปัญญารู้เหมือนกันว่าเออน่สมาอาชีพอย่างนี้ขึ้นมาไม่มอบตนในทางผิดนิเปสิกตถาสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ห้าโอโหยิ่งใหญ่เลยทีนี้ลาเพนะาลาพังนิชกิงสนาตาเป็นสมาอาชีพขั้นสุดท้ายผู้ที่ จะเข้าใจมิจฉาชีพและสัมมาอาชีพห้าข้อนี้ข้อสุดท้ายลาเพณะลาพังนิชกิงสนตานี้เข้าใจแล้วจะทำได้หรือไม่คือทำงานไม่ใช้ลาบแลกลาลาเพณะลาพังนิชกิงสนตานสรุปคือทางานฟรี ไม่ใช่เอาของแรกของบาเตอร์ไม่เอาเงินซื้อเงินแลกไปมาไม่เอาแรงงานแลกไม่เอาความรู้แลกอะไร่างนี้เป็นต้นทางานด่งบริสุทธิ์ใจทางานฟรีมันก็จะมีด่างพ้อยบ้างในต้นๆและมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์เมื่อทำงานฟรีด้วยใจไม่ได้คิดต้องการอะไรตอบแทนเลยลาบยอดสัเสริญนกีสุขไม่เอา ทำเพื่อสละเพื่อให้อย่างเดียวนี่คืออาชีพที่สูงสุดประเสริฐสุดอัตมาพาสังคมพวกชาวโศกทํางานฟรีกันได้ใครจะมีกิเลสตัวเองก็ด่างพร้อยของตัวเองแต่ละคนไปมันจะมีอยากได้นอนอยากแรกได้อันนี้มึงเดไปทวงเอาอันนี้เราทําขนาดนี้มึงควรให้กันเรามั่งอะไรมัองตัวใครตัวมันตามกรรมตามพิบาก เมื mm ่อใครทำใจของตัวเองสะดวกได้แบบโอ้เราทํา huh. ก็เสร็สละสิทําไปข้าวมีกินดีมีเดินอะไรก็เั้่องหนเราไม่ได้ทําเราก็ทําให้ส่วนกลางเองเขาไม่ให้เราก็เท่านี้ก็เท่านี้เท่าที่มีให้บอกว่าเดี๋ต้องใช้ก็ประมาณเท่านี้เท่านี้ไม่มีให้ให้แต่นี้เท่านี้ก็เท่านี้ที่ทำได้เขาที่ก็ทําทําไม่ได้ก็ต้องรอไปก็าส่วนกลางอ่ะเราไม่ได้ทําหาส่วนตัวเมื่อไหร่เพราะอัตรามันก็แหมกูจะทําดีแต่ไม่ให้กู คุณก็ตัวตวนอัตตาของคุณก็ขึ้นอยู่นั่นแหละต้องศึกษาดีๆเลยจะรู้และพอเราสงบได้ก็เพราะมันค่อยๆเข้าใจสัจจะพวกนี้ขออภัยต่อสังคมข้างนอกว่าอาตมาต้องยกตัวอย่าง อ, อโศกประกอบการอาธิบายเพราะมันเป็นจริงได้และเป็นจริงที่เป็นตัวอย่างที่อาคาลิโ ก, โกแม่ยุคนี้ก็เป็นจริงได้ไม่ใช่เพ้อเจอไม่ใช่เพ้อฝันนะ ก็เรามาทํางานฟรีกันแต่ละคนมีกิเลสต้นตัวไม่ใช่ใจจะจิตใจจะขนาดเป็นอนาคาริคชนไม่เอาและต้องการไม่ต้องเป็นอนาคาริเป็นอนาคามีจิตไม่ตองการหลับสักการะสัมเสริญและซั์สินคานบ้านช่องเรือนชานไม่ยึดไม่ติดแล้วมันก็ไม่ถึงกันนั้นก็ต่างเยอะพวกเราแต่ก็ยอมมาคัดเกลาตัวเองบางคนหน้าน้องน้ําตาอยู่เพื่อที่จะเพราะที่นี่เรามีกฎเลยว่าคุณเข้ามาในสมาชิกของชุมชน จะได้รับสวัสดิการหรือบริการของสสของชุมชนคุณต้องอยู่ในเกณฑ์ น, นี้นะทำงานฟรีนะเพราะฉะนั้นบางคนภูมิยังไม่ถึงหรอกบารมีไม่ถึงหรอกแต่ว่าต้องปฏิบัติทําหน้าน้องน้ำตาอยู่บางคนก็ออกเข่าๆไหลายเที่ยวมันก็เป็นจริงส่วนคนอยู่ได้ตลอดเราก็พยายามทําได้สบายใจไปอยู่กับบารมีของใครของมัน แม้จะเรามีกิเลสอยู่บ้างเราก็รู้กิเลส ข, ของเราทนได้ยากทนได้ไม่ยากบางทีทนแบบกดข่มก็พอทนได้ก็ต้องเรียนรูก้กดข่มมันก็ยังไม่เจริญพอมันต้องเป็นสัจจะปิปัญญาเห็นจริงจนกระทั่งสบายเมื่อขั้นอาาคามีภูมินี่ก็จะจิตเรื่องสั์ริคานบ้านช่องเรือนชานไม่มีปัญหาลเลยเหลือแต่กิเลสส่วนตัวสังโยนเบื้องสูง รูปราคะเอ้ยไม่ใช่เราใช่รูปราคะรูปราคะมานะอุตจักวิจิตวิจอะิชาอุตตมภาคียสังโยชน์5ก็เข้าใคจของมันซึน่งถ้าอธิบายถึงวันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าอนาคามีภูมิเนี่ยรูปราคะมันสมาธิรูปราคะ ค, คือย่างไง ถ้ามีเวลาถึงก็อธิบายพอก็ถึงก็จะได้ฟัง <c oughs> โอ้มันทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยเราถูกกินไปเท่าไหร่นะว่าเมื่อกี้25 25, 25้า้าอาตมาตีสี่ยห้าเพราะว่าไม่ถึงดีแต่อาตมาถัวต้องการเวลาเพิ่ม น, น, นี่คือภาคปฏิบัติสมาธิของพทธเจ้าทุกกรรมกิริยา กายวาจาใจทํางานอาชีพไม่ต้องหนีไปหาที่พิเศษไม่ต้องใช้เวลาพิเศษไม่ต้องไปหาที่สงบสงัดอยู่กับสังคมสามัญสร้างสมาสมาธิอาตมารเริ่มต้นตั้งแต่อาชีวะที่เป็นมรรคองค์หนึ่งของ7องค์ต้องปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์มีสมาธิิยังไม่ได้ขึ้นนะว่าสมาธิจะรังไงก่อน เป็แต่เพียงขึ้นต้นว่าสมาสติและสมาวาิมามะจะเป็นวังเฉาหมาหั่นช่วยท่านเป่าสมาธิิเป็นท่านเป่านะและวังเฉาหมาหั่นี่เป็นผู้ช่วยนะอัศวิน ค, คู่ต้องช่วยพลังนะตามสมาธนะิเป็นพลังช่วยหรือว่าแรงงานช่วยหรือผู้ที่ช่วยอยู่นะจาก อาชีวะมาถึงกรรมมันตะก ร, รมมันตะนี่คงจะอธิบายกรรมมันตะนี่หละอยู่นานเพราะจะต้องเกี่ยวกับกายถ้าว่า ส, สมาวาจามันก็ว่าจาสมาสังกปะมันก็ไปมโนเพมันก็คงจะต้องสมากรรมมันตะมันเกี่ยวกับกายอาตมาก็ว่าจะเน้นตรงกายนี่แหละเพราะคําว่ากายคํานี้มันมิจฉาทิฐิกันขออาภัยเถิด ทวนนาแล้วในวงการศาสนาพุทธโดยเฉพาะเมืองไท ย, ก ล, ยกลายมาคําว่ากายนี่กลายมาเป็นภาษาไทยแล้วหมายถึงมหาพุทธรูปหมายถึงองค์ประกอบของมหาพุทธรูปซึ่งผิดอย่างคะแนนศูนย์เลยถ้าเข้าใจนะคนเข้าใจว่ากายนี่หมายถึงจิตอย่างเดียวไม่ไม่เกี่ยวกับมหาพุทธรูปไม่เกี่ยวกันเลยนะ เออคุณยังไม่ศูนย์ยังได้คะแนนถ้าเข้าใจว่าคำว่ากายะเนี่ยหมายถึงจิตหมายถึงลักษณะของจิตอาการของจิตเออคุณยังได้คะแนนแต่ถ้าคุณเข้าใจว่ากายะนี่คือหมายถึงมหาพูทธ ร, รูปหมายถึงดินหน้าไฟลงข้างนอกไม่เกี่ยวกับจิตเลยศูนย์เลยอาตมาอยากให้ติดลบเลยเพราะมันสำคัญมันสำคัญ ถ้าเข้าใจผิดตรงนี้สําคัญเลยคุณจะปฏิบัติสมาธิคุณจะเปิบัตัดชานคุณติบัดรักกิเลสอะไรศูนย์โยศูนย์โยเลยกิเลสเรียกว่าอะไรกิเลสนี่คือกายด้วยจิตก็คือร่างหรือจิ ต, จตกิเลสนี่คือร่างข้างนอกดินน้ำไฟลมจิ ต, จ, ตจิตใช่ไหมภาษาบาลีกิเลสคือกายกะกัลิคนะ ความชั่วกายากะลิองค์ประชุมของความชั่วก็เป็นน้ำไงจิตในกายามันเป็นจิตมันเป็นน้ำองค์ประชุมของน้ำ ม, มาทําที่ชั่วก็คือกิเลสสิ่งที่เป็นโทษถ้าแปลในพจนานุกรมกันว่าสิ่งที่เป็นโทษกายกระลิ่งนันแปลไว้ว่าอย่างนั้นนะ แต่นมาโนดโนดมาเหมือนกันอยู่ตรงไหนไม่รู้ท่านแปลทับศัพท์ว่ากายยะโทษสิ่งชั่วชา้าที่อยู่ในกายก็ไม่ผิดนะสิ่งชั่วชา้าที่อยู่ในกายก็คือกินเลสนะตัวไปเลี่ยงไปหาไหนไม่ต้องเลี่ยงไปไหนหรอกกายะทับศัพท์ว่ากายกายะโทษกายยะโทสะกายยะโทษ กายกะลิทับศัพท์พอขยายความเป็นภาษาไทยก็ว่าสิ่งชั่วชาติที่อยู่ในกายเนี่ยตมาก็รอดมาจากพจนานุกรมกายกะลิซึ่งมันคือกิเลสคือกิเลสมันต้องเดียงไปไหนเราดิงไปทําไมคือจิตจิตชั่วอกุศลจิตนั่นเองอกุศลจิตนั่นเองแต่มันมีความหมายว่ามันเป็นองค์ประชุมมันไปจี้ลงไปที่จิตเท่านั้น มันเป็นองค์รวมของทั้งดินน้ำไฟลมที่จะต้องเกี่ยวข้องมีปภาษาทรูปมีมหาพูทธรูปภราษาทรูปโคจรรูปคุณจะต้องรู้ดินน้ำไฟลมที่เป็นรูปสี่และคุณก็ต้องเกี่ยวข้องกันคนก็คือแท่ ง, ทงของดินน้ำไฟลมคุณก็ต้องสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ก็ดินน้ำไฟลมโต๊ะม้าเก้าอีดินน้ำจริงๆมันก็คือสิ่งที่เป็นมหาพูทธรูปทั้งนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตที่เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตรงนั้นเป็นเรียกว่าเมื่อเราสัมผัสสัมพันธ์แล้วกายคือจิตของเราที่ร่วมประชุมอยู่ด้วยนี่จะต้องทำงานรู้พร้อมรู้พร้อมเพราะฉะนั้นหลักที่ปฏิบัติของพรู้เจ้าหลักสำคัญสำคัญก็คือกายขตาสติอาณาปานาสติเป็นต้น เชือ่อมตมาได้อธิบายผ่านมาแล้วว่าแม้แต่อานาปานาสติก็ต้องเหลือลมหายใจเข้าออกเป็นกายนะท่านไม่ได้อธิขยายความท่านขยายแต่ว่าเป็นกายแล้วไม่ให้ขาดต้องมีภายนอกเช่นในวิโมกแปดก็รวมไว้เลยว่าจะต้องมีภายนอกขาดภายนอกไม่ได้ท่านยังสัมผัสด้ ว, ว่าสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายนะสัมผัสวิโมกแปดด้วยกาย นิโมข้อสองเนี่ยอาจจะตังรูอจตังอรูปสัญญีเอโกพหิทารูปานิปัสสติพหิทาคือภายนอกอาจจะตั้งคือภายในคุณจะต้องใช้การกําหนดหมายเรียนรู้ทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งรูปและอรูปอรูปสัญญีแต่ท่านก็ไปแยกแปรเอาอะไปขยายสัญญี ว่าสัญญาไม่กำหนดหมายไม่ ส, สาคัญมั่นหมายเข้าป่าเลยก็เลยไม่ต้องไปรู้อะไรเลยทั้ทัที่ทั้งั้งทัทั้ั้งทัั้้ัั้งทั้ัั้งทั้้ัั้้ง้ังทั้ง้้งทั้ทั้้งทั้ทัางทั้งทงทัังจจ้งังัญญ สัญญีนี่คือผู้ผู้ผู้ใช้สัญญาผู้ใช้ผู้ใช้สั ญ, ญผู้ใช้การกำหนดหมายผู้ใช้ความสำคัญมั่นหมายจะต้องไปรู้หมดเลยทั้งภายในก็ไปจงตั้งถึงขัง้นอัรูภายนอกท่านก็บอกอยู่แล้วอีกว่วดีหนึ่งที่บอก ah pa พระหิทธารูปานิประสติเพราะเมื่อไม่รู้สภาวะแปลพระยันชนะตรงนี้มันก็ไม่ไ ม, ไม่เต็ม แปลได้ไม่ไม่เต็มดีไม่ดีมันเพี้ยนเลยกลงงานข้ามเลยเช่นแทนที่จะใช้สัญญาบอกว่าไม่ต้องไม่สัญญาเลยอะสัญญีไปเลยไม่ไปกําหนดหมายไม่ใส่ใจในรูปไปนู่นเลยเพราะไม่จช่ไม่ใส่ใจในรูปทั้งหลายท่านไปนู่นทั้งรูปภายในไม่ไม่ใส่ใจมันก็เลยไปใหญ่เอาละอาตมาจะวิเคราะห์วิจัยพวกนี้มันจะยาวยืดเรื่องมันจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไม่ถึงไหน เพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจสําคัญคําว่ากายกายคือองค์ประชุมทั้งหมดเลยทั้งดินนา้าไฟลมและเราก็มีชีวิตอยู่ร่วมเพราะฉะนั้นรูปยี่สดนี่จะต้องกําหนดรู้ไปทั้งหมดเลยรูปผู้สิ่งที่ถูกรู้ว่าเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็จะต้องรู้ร่วมหมดเลยสัมพันธ์กับทุกอย่างและต้องมีสัมผัสเป็นปัจจัยการปฏริเดชธรรมของพระเจ้านี่สร้างสมาสมาธิต้องมีผัสสะตาหูจมูกดินกายสัมผัสอยู่ไม่ได้ ต้องเห็นต้องรู้เลยปัจสติแม้แต่ที่ประโยคที่ท่านสำทับว่าต้องสัมผัสวิโมกแปดด้วยกายสำเร็จอิริยบทอยู่แล้วก็อาสวะภายในสิ้นไปก็รู้แจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะต้องเห็นต้องรู้ความละเอียดพวกนี้จริงๆนะ เพราะขาดคำว่ากายหรือไปเพี้ยนคำว่ากายคำเดียวก็จะผิดปั๊บไปเลยเพราะกายมันหมายถึงจิตที่เป็นเนื้อแท้แต่เข้าไปตีความแล้วก็ไปยึดเอาไปแค่ไม่ใช่จิตแล้วมันเป็นแค่มหาพุทธ ร, รูปมันก็จบสิจบเลยคุณไม่มีทางมารล้ธรรมหรอกขอยืนยันอะ เพราะฉะนั้นอาตมาก็ขออธิบายหลักนิดนึงว่าเมื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี้ก็ปฏิบัติธรรมด้วยหลักโพธิปักเกียรตธรรม37นั่นเป็นโลกรุตระตัวปฏิบัติแท้เลยแล้วก็จะได้โลกรุตระเก้าจะได้โซดาปฏิมาโซดาปฏิพลสกิตาคามีมากสกิตาคามีผลอนาคามีมากอนาคามีผลอรหัตมากอรหัตผลนิพพาน โลกุตระกาจากการปฏิบัติโพธิปักเกียธรรม37เจ็ดมโลกุตระธรรมข้อแรกเลยคือโพธิปักเกียธรรมข้อที่หนึ่งโลกุตระธรรมข้อแรกกายในกายคุณต้องรู้กายในกายต้องเรียนรู้พิจารณากายในกายและก็เวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมนี่นสี่ แล้วก็จะต้องเอามาปฏิบัติสมปทานอีกสเมื่อรู้ว่าปฏิบัติสติปทานสี่นี้กายในกายเวทนาในเวทนาเจนจิตธรรมในธรรมนี่คือสติปทาน4ี่คุณรู้ว่าจะปฏิบัติยังไงแล้วเข้าใจแล้วว่าเอากายคืออย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้จิตคืออย่างนี้ธรรมะคืออย่างนี้เวลาปฏิบัติก็จะต้องรู้ทั้ง4ี่นี่ในกายในจิ ต, ใน จ, ตในจิตในจิตทั้งนั้นเลย กายสังขารก็คือการสังขารของจิตที่เกี่ยวข้องกับภายนอกด้วยมหาปุถุรูปถ้าบอกจิตสังขารก็คือเฉพาะจิตเพราะฉะนั้นท่านอธิบายในอานาปานาสติ16อย่างคุณจะต้องเรียนรู้กายสังขารังปฏิสังเวทีต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนในกายที่ สังเคราะห์ประชุมทํางานร่วมกันอยู่สังขารและก็ทําให้มันสงบระงับปัจสัมพยังกายสังขารังแล้วก็ระงับต่อต่อไปจึงค่อยเข้าไปหาจิตจะสังขารังปฏิสังเวทีก็ไปรู้จิตและก็ทําให้จิตนั้นปัจสัมพยังระงับสงบไปอีกจนกระทั่งสําเร็จสําเร็จแล้วก็ อยู่ในฐานของจิตคืออภิปโมทยังจิตตังทำจิตให้ร่าเริงเบิกบานไม่ใช่ทำจิตให้แห้งเหี่ยวเป็นจิตอาศัยนะแล้วก็ให้แข็งแรงอย่างที่อัตมาเคยอธิบายว่าเมื่อเรารู้จักอนุโลมปฏิโลมมียานปัญญาวิปัสนาญาณ9้าเป็นต้นเข้าใจแล้วพอถึงขั้นเบื้องจิตออกได้ก็ทำซ้ำแล้วก็พัฒนาให้จิตของเราเนี่ย อาศัายอยู่อย่างมีแม้แต่ในฌานท่านก็อธิบายไว้นในฌานที่อธิบายไว้เป็นภาษาไม่ใช่ภาษาฌานที่ยางซอนกันในพัตตพิโรเลมเก้าหน้าในปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ทําฌานนั่นแหละแล้วก็สั่งสมลงเป็นสมาธิให้เกิดอริยะศีลอริยเกิดสํมรวมอินทรียเกิดสันโดษอริย แล้วก็เกิดสติสัพพัญญาอาริยะเอ๊ ส, สติสัพพัญญาก่อนสนโดษสิเป็นอาริยะอาริยะสอย่าง น, นั่นแลปฏิบัติสมาสมาธิปฏิบัติฌานท่านก็สรุปไว้ว่าเป็นฌานสแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้สมาธินั้นถ้าไม่ได้อธิบายอย่างที่เขาอธิบายกันนั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปหรืออธิบายในลักษณะเหมือนอาณาปานาสติว่าเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ แค่ไม่ได้อธิบายเชิงเข้าไปอยู่ผวังอันนั้นมันอยู่ในภวังเข้าไปนั่งสมาธินั่งหลับตาอยู่ในภวังนั่นที่ไปอธิบายเชิงของอานาปานาสตินั่น อ, อันนั้นมันไม่ใช่สัมมาสมาธิมันเป็นอุปการะซึ่งยุคนั้นน่ะมันมีแต่นั่งสมาธิอย่างนี้เต็มป่าหรือเต็มบ้านเต็มเมืองหมดสมาธิแบบพุทธมันไม่มียังไม่ขึ้น พระจ้ก็ต้องปริปรนอมต้องปฏิบปรนอมต้องปรองดองยิ่งกว่าคอสชอทํางานหนักเพราะเป็นงั้นตายพระโมคคลาน์ยังตายเลยพวกที่ช่วยงานพระเจ้าน่ะธรรมณะต่างๆนะ่ะตายกันมากมายที่สุดขนาดมีริดมากขนาดสมาขนาดพระโมคคลานะ์นะก็ยังต้องตายตายถูกฆ่านะ แล้วก็ไม่ได้ไไดท่านไปทำงานอื่นท่านทํางานศาสนานะพระโมคคลาน่ะท่าไม่ได้ทํางานอื่นนะไปไปขวางเขาแล้วท่านก็ถูกฆ่าตายเนี่ยไม่ใช่ไปตายเพราะว่าท่านไปทํางานดึงดาบยศสันเสริญโอเคสู่ไปทําอาชีพมันไม่ใช่น่ะเพราะพระพุทธเจ้าท่านโอ้ต้องปฏิปัตนอมต้องทําความปลองดองอย่างถ้อยทีถ้อยจามากเลยเพราะท่านทึงบอกว่าเอา แม้เธอจะนั่งจะอยู่ในปา่าในเขาในถ้ำก็พูดตัดโทนมากมันก็อยู่ในป่ากันเยอะตอนนั้นแล้วป่ามันก็เยอะด้วยยุคน้นขนาดอาตมายกตัวอย่างฟังว่าวังของพระเจ้าอาชาศัตรูนะกับที่พระพุทธเจ้าอยู่บนเขากิจกูดนะใกล้กันที่ไหนอ่ะพระบอกว่าอยากจะไปหาที่พึ่งพลชีวะกะแนะนํำมาไปพบท่านพระสมณโคดมสิ ท่านอยู่ตรงนี้เขาขี่กุดเอาไปมืดแล้วยกพลาของกันไปกันเดี๋ยวเดียวก็ถึงแล้วก็ไปพบบูมเจา้าใช่ไหมมันป่าทั้งนั้นนะ่ะมันป่าภูเขา ท, ท, ท, ทั้งหลายทำไมโบราณนะ่ยสมัยสองพกว่าปีนะ่ะอาตมามากรุงเทพเนี่ยยังป่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนไปถูกแล้วมันถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวสะพานเต้นก๋วยเตี๋ยวเต็มไปหมดแต่ก่อนนี้อาตมาเป็นเด็กส่งเนือพิมอาตมาไม่กลัวหรอก เอา address มาซอยไหนช่องไหนอาตมาตามได้หมดนะีอาตมาถีบจั ก, กรยานทั่วธนบุรีกรุงเทพเนะี่อาตมาไม่ได้กลัวหรอกย่านไหนก็ไปหมดนะแต่เดืยวนี้ไปไหนไม่ถูกเลยเจอสะพานเซนกว๋วยเตี๋ยวเจอถนนเส้นกว๋วยเตี๋ยวเข้าหมดท่าเลยไปไม่ถูกยิงน <c oughs> นี่ไม่ได้พูดเล่นนะอาตมาตัวนี้ก็พาไปเอาไปต้มไปแกงตรงไหนก็ตายหม ด, ดไม่เรื่องเลยเนี้ย <c oughs> ก็พาไปไหนก็ไปแล้วแต่ก็จะพาไปอาตมานี่เอาไปข้า ง, ง่ายเพราะไม่รู้ทางโชเฟอร์จะบอกว่านี่พาไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเอาไปหมกที่ไหนก็ได้เาต่อ <c oughs> <c oughs> ที่นี่มาแวะตรงคำว่า ก, กายการปฏิบัติกายนี่นะ <c oughs> หนึ่งนะอาตมาจะสรุปคำว่า ก, กาย ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องรู้กายของตนภาษาบาลีภาษากายะกายของตนสัจ ก, กะแปลว่าของตนต้องรู้กายของตนเพราะฉะนั้นคําว่ารู้กายของตนเขาก็ไปแปล ก, กันมาสัจ ก, กายะแปลว่าตัวตนไม่พิษแต่ตัวตนคือก็กายมันจะชัดอยู่แล้วแปลว่าองค์ประชุมองค์รวมองค์ประกอบองค์ประกอบของรูปนาม ขยายความครบๆก็องประกอบรูปนามมีทั้งข้างนอกข้างในมีรู ป, ม, ม, ม, ม, รปมีนามมีมหาภูตรูปมีนามธรรมทั้งหมดแม้เคลื่อนก็นมาาเป็นอุปาทายรูปคุณก็ต้องเรียนรู้ต้องรู้ได้โดยายาน้คุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตาหูจมกูกดินกายสัมผัสมีภาษาทรูปโคจรรูปแล้วเกิดภาวะรูปสองคุณก็ต้องอ่านทินีริสินซีได้ต้อง รู้หัยรูปต้องรู้ชีวิตตินรียต้องรู้อาหารรูปต้องรู้ปริเชษทรูปต้องรู้วิญญาตรูปสองกายวิญญาตวจีวิญญาตอะไรเงี้ยเป็นต้นจนกระทั่งปฏิบัติเข้าล็อกเป็นวิการรูปหเป็นลักษณะรูปอีก5อีกสก็เป็นอุปาตายรูปยี่ี่อะไรเงี้เป็นต้นอขอพูดผ่านๆก่อนนะไม่ได้ลงลึก ในรายละเอียดของรูปทั้ง28 24อะไรนี่เลยเพราะแต่สิ่งที่ถูกรู้เหล่านั้นคือองค์ประชุมทั้งสิ้นเลยเป็นนามกายเป็นรูปประกายด้วยตั้งแต่เริ่มต้นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมผัสแล้วมันก็เป็นรูปประกายองค์ประชุมของสิ่งที่ถูกรู้จากภายนอกพอเข้าไปหาข้างในก็เรียกว่านามกายเพราะการปฏิบัติ เมื่อสามารถรู้จักสักกายะคนก็ปฏิบัติโดยสติปัฏฐานสี่ต้องพิจารณาตั้งแต่กายในกายไปเลยแล้วก็เวทนาในเวทนาเนื่องกันหมดนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้แยกกันมันต่อเนื่องกันองค์ประชุมของกายในกายก็คือเมื่อตากระทบรูป เป็นกายภายนอกมันก็ไปรู้หรูอภายในเกิดกายวิญญาณเกิดกายวิญญาณเกิดวิญญาณรูปรวบเลยวิญญาณคือตัวาธาตุรูปใหญ่ที่สุดเป็นองรวมเลยมีเจตสิกสาเวทนาสัญญาสังขารหรือพระเจ้ามาแตดนามมาทำอีกมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิ ก, การ อันนี้เป็นภาคปฏิบัติเวท น, นาสัญญาสังขารนั้นก็มาแตกเป็นเจตนาผัสสะมณสิการก็คือเจตสิก ข, ของวิญญาณนี่เองอนี่มันนามอันนี้เป็นนามที่ท่านพระพุทธเจ้าจตรัสไว้ในการปฏิบัติเรียนรู้ปฏิสุบทนะ่ ะ, อะเอาอธมาผ่านก่อนอันนี้ น้าผ่านไม่ไม่อ้างอิงด้วยว่าจากพระเติรทองเริ่มไหนอะไรยังไงไม่ไม่อ้างเลยนะนี่พระเตมิรทองด้โฉอยู่นี่ที่จริงอ้างก็ได้แต่ว่ายังไม่ป้าง่ะมันจําไม่ออกอ๋ อ, อแต่ทางโนนเขาแจกอีกพังเขาเอามาแล้วนะ่ะข้ออะไรเขาบอกไปแล้วน้าดีทางอินเสิร์ทนี่ก็ขอบคุณบอกไปทันก็เอาเลยไม่ต้องดูหน้าตะมนักหรอกทุกคนนี่รู้สึกว่าเราตมายังหนุ่มมันก็ยังไม่แน่ รอยย่นมันเยอะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจริงๆเราแก่เลยเนี่ยที่จริงเรายังนมอยู่นะเ <c oughs> อาต้องรู้รตสติปัฏฐานสี่นี่แหละถ้าคุณพิจารณาสติปัฏฐานสี่ไม่เป็นไม่ใช่พิจารณาคือการนึกคิดไม่ใช่เลยการเพ่งรู้เพ่งอ่านอ่านองค์ประชุมตั้งแต่กายในกายแล้วกายในกายองค์ประชุมต่างๆนี้มันก็คือเวทนา อุ ม, มอเมื่อเวลารับผัดข้างนอกแล้วมันก็จะเป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์มันปรุงปุ๊บเลยจริงๆมันเป็นสังขารตั้งแต่กายยัสังขารจิตสังขารมันปรุงปุ๊บด้วยข้างในด้วอวิชชาก็ก็ต้องพิจารณามันเวทนาก็าแตกเป็นที่อาตมาแต่ให้ฟังแลยตรงเวทนาร้อยแปหรือย่องเรื่องกายเนี่ยเยอะเลยดี๋ันจะย้อนมาพูดถึงกายอีก แยกเวทนาได้จิตได้เมื่อวานนี่ก็พูดถึงแล้วก็ค่อยเป็นธรรมะกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเป็นโลกุตรธรรมโลกียธรรมก็ค่อยว่ากันอีกทีนั่นตอ น, นเมื่อพิจารณากายพิจารณาสติปัฏฐานสี่นี้เป็นคุณก็ปฏิบัติโพธิปังยิธรรมบอกแล้วโพธิปังยิธรรมโลกุตระทั้งหมดก็ไปปฏิบัติสมปทานสี่ตัวการ สัรวมอินทรียหตาหูจมูลินกายปฏิบัติก็ต้องสังวมอินทรีย์ทั้งนั้นข้างนอกไม่ได้รลับตาไม่ได้รับตาลืมตาปฏิบัติแล้วก็ประหารมันมีตั้งแต่อันแรกของสมรภูมิทานสังวรประทา น, น, ป, รทานประหารประทานก็ท้าสรุปไว้ว่าประหารประทานก็คือคุณต้องต้อง อ่านตัวกิเลสเป็นสมุทัยให้ได้ตั้งแต่เสียติปทานสีนั่นแหละก็คือสาราคะสะโทสะสมุหจับตัวสมุทยัยได้คุณก็ประหารให้ได้ผ่านไปก่อนได้ผลเป็นภาวนาประธานแล้วก็รักษาผลเป็นอนุรักษนาประธานด้วยอิทธิบาท4ซึ่งเหมือนหวังเช่ามาหั่นพลังช่วยเป็นแรงนุ่งพยายาม ด้วย อ, อิทธิบาทหรือวิริยะช่วยเพื่อที่จะปฏิบัติให้มมาได้ผลเมื่อได้ผลก็สั่งสมลงเป็นอินทรีหพละหาอินทรีก็คือการได้มรกได้ผลไปตามลำดับพละหาก็คือจบผลสูงสุดเรียกว่าพละหาซึ่งก็มีนั่นแหละมีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นแหละ ก็สั่งสมลงไปน็นอาตมาไม่ได้ขอว่าไปวันนี้คงลงในรายละเอียดพวกนี้ไม่ได้ว้าค่อยๆ อ, อ, อธิบายไป น, นั่งไปฟังไปเรื่อยๆถ้าใครตั้งใจศึกษามีชันทะอยากจะไปนิพพานมาอาตมาเต็มใจอธิบายเพราะว่าเป็นเรื่องงานที่อาตมาเห็นว่าเป็นคุณค่าสูงสุดในโลกมนุษย์ซึ่งปฏิบัติได้สั่งสมลงเป็นอินทรีห้าพระ5บนฐานปฏิบัติหลักก็โพชงเจและมรรคองค์8 นี่คือโพธิปักกียรธรรมครบพชนจเจตธรามก็ขออภัยไม่ได้หลงลึกละจริงจริงแล้วพชงจเจนั่นก็คือโพธิปักกียรธรรม7็ข้อนี่แหละขยายผลขยายออกมาเป็นสูตรใหญ่แท้ๆก็โพธิปักเกียรธรรมนี่ก็คือพชนเจสติสัมโพธชงทวิจัยสัมโพธิชนวิทยสัมโพธิช์และก็มีปิติสัมโพธิชนปัตสติสัมโพธิชนสมาธิสัมโพธิชนจนสุดท้ายเป็นอุเบกขาสัมโพธช์ ก็จะได้อุเบกขาเป็นองค์การตรัสรู้สุดท้ายเป็นฐานานิพพานหรือแม้แต่สมาธิที่เป็นสมาสมาธิของมรรองแปดก็เอกคตาเป็นฐานานิพพานเป็นอุเบกขานั่นแหละฌานที่สอุเบกขาเป็นองค์ฌานที่สสูงสุดมรรคองคแปดอาตมานำมาก่อนแล้วพูดไปแล้วพระชนก็ขอผ่านผ่านก่อน กลับมาถึงคำว่า ก, กายต่อเมื่อคุณมาปฏิบัติสมปทานสีคุณก็ต้องปฏิบัติกายขตาสติกับอาณาปานาสติในขณะที่ปฏิบัติกายขตาสติก็คือองค์ประชุมในขณะที่ชีวิตของคุณดาเนินไปคตะในชีวิตที่คุณดำเนินไปอยู่ตลอดเวลาคุณมีสติแล้วรู้ณองค์ประชุมต่างๆเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรสัมผัสกับอะไร คุณก็ต้องพิจารณาใช้สติประทานสีนั่นแหละก็คือกายนะั่นองประชุมกายนะั่นเขาไปจากกายนอกเขาไปหากายในคุณก็พิจารณากายในไปตลอดแล้วก็เป็นเมทนาเป็นจิตเป็นธรรมไปตลอดกายข้ตาสติกายข้ตาสติก็อันเดียวกันกับอาณาปานาสติคือคุณต้องพิจารณากายสังขารต้องรู้จักกายสังขารให้เต็ม กายสังข่ารังปฏิสั่งเวทีเพราะคุณก้าวเดินย่างน้องเลี้ยวแขนไกลขาปัสวะอุจจาระอะไรก็แล้วแต่ต่างๆหน้านกายก็ตาสตินิคุณก็เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็พิจารณาให้เ ห, เห็นเห็นแห่งทุกข์แล้วก็รักเห็นแห่งทุกข์ก็เป็นนิโรธก็คือให้เกิดอริยสัจสี่ตลอดเวลาในองค์ประชุมทั้งหมด เพราะฉะนั้นในอานาปานสติที่คุณปฏิบัติก็คือต้องรู้กายสังขารเมื่อคุณเองคุณปฏิบัติเคลื่อนกายขะตะองค์ประชุมของชีวิตดำเนินไปตลอดเวลาสัมพันธ์อยู่กับมหาภูต ร, รูปทั้งหลายแหลทั้งดินน้าไฟลมตัวตนบุคคลเราเขาสัตว์ดินพืชอาหารอะไรทุกอย่างอุปโภคบริโภคต่าง คนเกี่ยวข้องอยู่นี่แหละทั้งหมดนี่เป็นองค์ประชุมรวมประชีวิตที่ดำเนินอยู่คุณก็ต้องพิจารณาให้เข้ามาถึงเหตุที่มันคือตัวการใหญ่ที่คุณจะปฏิบัติอันนี้กับอันนี้คุณจะปฏิบัติกับคนคนนี้คุณเอากิเลสไปร่วมปฏิบัติคุณก็ต้องจับกิเลสของคุณให้ได้ตลอดเวลามันปรุงแต่งเป็นองค์ประชุมทั้งนั้นเป็นกายสังขารทั้งนั้น เพราะเข้าใจกา ย, ยะสังขารไม่ได้องค์ประชุมของสิ่งที่มันปรุงแต่งกันทั้งนอกและในและต้องอ่านในเป็นหลักอันนอกนะเป็นสิ่งเกี่ยวข้องอยู่มันเป็นเหตุนอกเป็นสิ่งเกี่ยวข้องแต่มันไปเกิดกิเลสมันเกิดในจิตคุณจะไปโทษในข้างนอกนี่เป็นเหตุไม่ได้คุณจะไปโทษเหตุ ข, ข้างนอกไม่ได้คุณโง่กับมันเอง คุณเจอมะละกออาตมาก็ยกตัวอย่างของข้างหน้าเนี่นี่คนละลูกแล้วมะวานนี่เอาไปกินหมดแล้วสิสุกกว่านี้นีมม่มาใหม่มะละกอมะวานนี้ปอกไปแล้วกินไปหมดแล้วหรือ <c oughs> มันจะปอกไปให้อาตมา ก, กินไยมั้งอาตมา ก, ก็ชันไปแล้ว <c oughs> นะคุณเห็นคุณก็ชอบคุณมาอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่มันดินน้ําไฟลมมันเหตุปัจจัยข้างนอก มันไม่มีวิญญาณหอกมันมีพรีชาของมันก็ตามเถอะแล้วคุณก็อ่านจิตของคุณนะ่ะเออคุณเกิดกิเลสแล้วชอบอยากได้กิเลสก็เกิดแล้วก็อ่านที่อยากได้ก็เอาสั่งสินลิดซื้อหรือว่าของเขาก็ออาก็ให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็ซื้ออะไรเงี้ยอย่าไปแย่งเขาทีหรือคุณจะลดกิเลสก็เออไม่อยากได้ไม่เอากินก็ได้เราชอบแล้วเราจะลดกิเลสแล้วไม่กินแล้วตั้งกรรมาฐานตั้งศีลเลยไม่กินมารกอ มันชอบเลยวะเพรตามใจคุณก็กิตอื่นแทนโอชนาการอะไรอื่นแทนได้วิตามินได้ทาร์อาหารที่มันแทนนั่นี่ได้มันก็มีแท น, แทนกันทั้งนั้นแหละก็เอาปฏิบัติรำอันนี้คุณก็ล้างกิเลสไปเกี่ยวข้องสัมผัสมละกอเมื่ อ, อไหร่กิเลสมันเกิดเมื่ อ, อไหร่คุณก็อ่านกิเลสแล้วก็พิจารณาให้กิเลสลดให้ได้ก็คือจิตให้มันเกิดอาณาปานสติสิบห ไม่ใช่แต่แค่ลหมหายใจเลยตอนนี้พวกองค์ประชุมข้างนอกดินน้ำไฟลมนี่เลยมีภาษาทรูปมีโคจรรูปนี่แหละอ่านให้ออกเสร็จแล้วก็สรุปนะอาตมาอธิบายยหยาบก่อนทํากิเลสให้ลดได้ประหารประทานให้ได้เป็นภาวนาประทานให้เกิดผลให้ได้แล้วก็รักษาผลอนรัก น, นาประทานไปสั่งสมลงเป็นอินทรีย์หไปไเรื่อยเจน เต็ ม, มอะไรก็เป็นพระละหา้าเพราะกายก็ตาสติอาณาปานาสติสติปทานสเป็นองค์ธรรมสามเศร้าที่ต้องปฏิบัติตลอดเวลาถ้าคุณไม่รู้กายในกายของสติปทานสคุณจับสักกายะไม่เป็น คุณเข้าใจกายคตาสติปฏิบัติให้ถูกต้องจากข้างนอกไปจกนกระทั่งถึงข้างในเชื่อมกับอาณาปานาสติจนกระทั่งคุณสามารถปฏิบัติไปถึงทำให้มันระ ง, งับกิเลสได้ถึงขั้นปัตสัมพยังจิตสังขารังจนกระทั่งทำจิตให้สมาทหัง่งแข็งแรงหนุมแน่นสดชื่นอยู่ตลอดเวลาสมารถั่งแข็งแรงตั้งมั่นสดชื่นอยู่ตลอดเวลา และคนก็มีตัวที่มีสติตามรู้ในขณะปฏิบัติทั้งหมดอยู่4อันทายของอานาปานาสติคืออนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีและปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นขณะปฏิบัติกายขาตาสตินี่แหละไอ้ตัว4นี่ของอนาปานาสติตามเห็นลืมๆตามีมองค์ประชุมนอกในมหาพูทธรูปมีภาษาธรูป มีโคจารูปเกิดเป็นอิทิินซีเกิดเป็นเาทำให้เป็นปุริสินรีนี่แหละมันก็จับให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนหัททยารูปและมันมันเป็นชีวิตอยู่นั่นในชีวิตของสัตว์ชีวิตตินซีนี่คือมันเป็นชีวิตอยู่มันมีความเคลื่อนไหวอยู่มันเป็นชีวิตมันยังไม่ตายสรุปง่ายๆคือยังไม่ตายอะไรยังไม่ตาย สัตว์ทั้งหลายยังไม่ตายสัตว์อะไรสัตว์โอปปาติกะซึ่งสัตว์โอปปาติกะนี้คุณก็ต้องรู้ว่าสัตว์โอปปาติกะมันมีองค์ประชุมอย่างไรถ้าก็าตรัสไว้ในสัตวะกาวกายอย่างนี้สัญญาต้องกําหนดรู้ถ้าคุณใช้สัญญากําหนดรู้นี่เนี่ยอาจจะตังอรุปะสัญญีนี่แหละคุณต้องใช้สัญญาเป็นผู้ใช้สัญญากําหนดรู้ไม่ได้องกาหนดรู้องค์ประชุมไม่ได้ โลกจีนเขาหนดกายยังไงโลกุตระกาหนดกายยังไงคุณจะเห็นความต่างกันเพราะฉะนั้นในอนาัใ น, ใ น, ในสตาวาสก้าก็ดีในปฏิบัติอย่างมีวิญญาณทิติจะต้องเกิดวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องมีธาตุรู้ตลอดแล้ววิญญาณที่ว่านี่ต้องมีกายะวิญญาณต้องสัมผัสเกี่ยวข้องอยู่นี่แล้วก็อ่านคำว่าต่างกัน กายต่างกันสัญญาต่างกันหรือกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันอะไรพวกนี้คือการบอกสูตรของการปฏิบัติของพระเจ้าทั้งนั้นเลยเพรา ะ, ะนั้นถ้าคุณเองคุณไม่สามารถเข้าใจคำว่ากายได้คุณปฏิบัติสัตาวาด9ความเป็นสัตว์ที่เป็นสังโยชน่ผูกไว้อยู่เนี่ยคุณจะพ้นสังโยชน์ไม่ได้ แม้สังหรุข้อที่หนึ่งสักกายคุณก็ไม่รู้กายนี้อย่างถูกต้องเป็นสมาธิิคุณก็ศู์โยไปตั้งแต่ตัวนั้นแล้วถ้าคุณสามารถเข้าใจสักกายะทิฐิได้แล้วก็อ่านสักกายะตัวนี้ได้เป็นกายในกายได้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ตลอดกายข้าตาสติและคุณก็มีภูมิอานาพานสติมีภูมิสติปัฏฐานสี่คุณก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นก็จะอ่านกายออกมีสัญญากำหนดรู้ได้ว่าอย่างเช่นวิญญาณทิฏฐิหนึ่งหรือสัตว์วาดหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันเพราะฉะนั้นความเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์นรกจะเป็นสัตว์เทวดาจะเป็นสัตว์มนุษย์เป็นต้นถ้าคุณเองคุณจะรู้ว่าเมื่อไม่มีหลักกำหนด ข้อที่หนึ่งนี่กายต่างกันสัญญาต่างกันข้อที่หนึ่งคุณยิ่งไม่ได้เรียนมาก็จะสัญญาเป็นนดอรกำหนดเป็นนดอรกำหนดอะไรกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดสติจิตกำหนดธรรมกำหนดอะไรกำหนดกายขตาสติกกำหนดอาณาบานคุณกำหนดอะไรถูกอ่าใช่ไหมคนทั่วไปนี่ไม่ได้เรียนแม้เรียนมาผิด คุณกำหนดกายผิดไม่ใช่เข้าป่าลงทะเลเยอะเยือกเย็นไปเลยตกทะเลกินไปเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นในข้อที่หนึ่งของสัตววาส9หรือกายวิบิญญาติติเจเนี่ยสัตว์บางจำพวกนั่นนะขึ้นให้ขอบคุณมากเลย มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกสัตว์นรกสัตว์วิเนาตปฏิวิเบาตบางพวกสัตว์นรกก็สัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์พรหมสัตว์นรกนั่นแหละคือรู้ความเป็นสัตว์ทางโอปปาติกะก็คือสัตวว่านี่แหละหรือสังโยชน์พ้นสัตว์ความเป็นสัตว์ที่เราเองผูกไว้เอง ง่ผูกตัวเองด้วยวิชาก็เราก็ต้องรู้ความเป็นสัตว์ขององค์ประชุมจิตอันนี้มันเป็นสัตว์ทางจิตไม่ใช่สัตว์เดรดิชานสัตว์ที่มีสองขาสี่ขาสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ด้อยคลานอะไรมันไม่ใช่สัตว์อย่างนั้นไม่ใช่ตัวตนมันเป็นนามธรรมมันเป็นสัตว์ทางนามธรรมโอปปปาติกะเราก็ต้องรู้ความเป็นสัตว์สัตว์นรกเป็นยังไงสัตว์เทวดาเป็นยังไงอุปัติเทพก็เป็นสัตว์ สมุติเทพก็เป็นสัตว์วิสุทธิเทพหรือพระพรหมก็เป็นสัตว์จิตสูงเป็นคำรวมมนุษย์โซสูงยังไงน่ะสูงแค่โลกีญะเป็นสมุติเทพเขาก็เรียกว่าสูงเป็นอุปัติเทพเป็นโลกุตระมันก็แน่นอนมันสูงแน่นอนคุณทาถูกยิ่งเป็นวิสุทธิเทพก็เป็นอรหัตผลไปเลยเพราะก็ต้องอ่านจิตอ่านองค์ประชุม องประชุมคือกายอย่างนี้แหละพ อ, อมันหมดเวลาแล้วอาตมาดูนาฬิกามัน1 9 49, 49ี้นาทีไปแล้วยิ่งกายหรือว่าไม่ใช่กายหรอวิญญาณทิติหรือสัตาวา์วข้อที่สองข้อที่สข้อที่4 4ข้อนี่แหละสำคัญข้อที่หนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกัน ข้อที่ 2, กายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันข้อที่สกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันข้อที่สกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็คือโลกิยะกับโลกุตระนี่ต่างเพราะโลกียะจะเห็นกายอย่างหนึ่งโลกุตระจะเห็นกายอีกอย่างหนึ่งที่มันต่างกันเนี่ยแต่กำหนดสัญญาต่างกัน สัญญาอย่างเดียวกันต่างกันก็ได้สัญญาต่างกันก็ใช่สัญญาอย่างเดียวกันก็ได้อย่างเช่นอันที่สองมันยานทิติหรือสัตววะอันที่สองกายต่างกันสัญญาอย่างเดียวกันเช่นเอาทำฌานฌานคืออะไรฌานคือลดนิวรนาอย่าให้จิตมีนิวรนาวิธีทำของพวกโลกี เขาก็นั่งสมาธิเขาก็ทําให้นิวรณ์หาไม่มีในจิตเหมือนกันแต่สัญญาว่าไม่มีนิวรณ์เหมือนกันอย่างเดียวกันแต่องค์ประชุมของจิตของคุณได้คุณทําฌานสําเร็จหรือสมาธิฌานสมาธิก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าฌานนี่เป็นเบื้องต้นทําฌานแล้วก็สั่งสมตกผลเป็นสมาธิแข็งแรงตั้งมัน่นลงไปก็คือผลจากฌานคือการทําให้กิเลสมันลดแต่กิเลยังลา่ยสี ก็ทำวิธีฤาษีวิธีเทวนิยมวิธีที่ยังไม่ไมิฉาสมาธิของพระเจ้ายังไม่ใช้สมาธิคุณก็ทำให้ไม่มีนิวรณได้ตรงกับสัญญาเดียวกันแต่องค์ประชุมธุรกิจต่างกันกายต่างกันอย่างนี้เป็นต้ น, นยิ่งก็สามก็สี่ก็ยิ่งอธิบายยากขึ้นไปอีกละเอียดไปอีกอัตมาเวลาหมดหมดเวลาวันนี้นะ จะลงลึกไปอีกว่านี้คงยังไม่ได้แล้วอก็ฟังได้เนาะดีไหมเข้าใจไหมใครไม่รู้เรื่องยกมือโอ้ไม่รู้เรื่องเหรออ้าวแล้วกันฟังยังไงคําถามอใครไม่รู้เรื่องยกมือโอโ้โหพวกคุณฉลาดหรืออาตมาตเก่งเนี่ย อ่อาตมาอธิบายเก่งแล้วคุณก็เลยรู้เรื่องหมดรู้ว่าคุณฉลาดแล้วอาตมาอธิบายยังไงคุณก็เข้าใจได้เพราะคุณฉลาดคงด้วยกันเนเนอะคุณก็ฉลาดอาตมาอธิบายเก่งไม่ใครชมยมตัวเองเ <c oughs> อาไว้ค่อยต่อนะอธิบายแล้วอาตมาก็สนุกในใจเหมือนกันนะว่าโอ้โหมันเปิดเผยธรรมอาบูเจ้านี่มันไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วได้เปิดเผยธรรมพาบูเจ้านี่มัน สุดยอดเลยใครจะไปสนุกงานไหนก็เชิดอัตมาสนุกงานเนี้ยสนุกงานเปิดเผยธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครเห็นมากก็ดีมากยินดีตอนรับใครไม่เห็นว่าดีก็ป้าที่ชอบที่ชอบ mm hmm. ของกครของมันเรียงลำดับก่อน ตมคิวอ้าวแต่มาไม่ได้บอกว่าจะจบการบรรยายเราจะตอบประเด็นแล้วเพราะว่ามันเวลามันเหลืออีกไม่ไม่ไม่ไม่สินาทีไม่ถึงดีนะเอาก็บอกพูดชมทางบ้านอีกทีหนึ่งบอกแต่ตอนตอน้ตนเท่านั้นผู้จะส่งประเด็นมาส่งอะไรมาจะคำถามจะคำแนะนำจะคานท่วงติงจะว่าจะกล่าวแม้แต่จะดจะุว่าอะไรหน่อยก็ได้ อย่าว่าแรงนะักอาตมาว่ามั น, ม, นมันก็ไม่ดีนักแต่เอาเธอจะว่าแรงก็ว่าไม่ว่ากันอาตมาว่าอาตมารับได้นะก็ส่งมาทางโทรศัพท์นะมีสองหมายเลขอาตมาจะบอกไม่ไม่ช้านักนะเร็วหน่อยบอกสองเที่ยวเบอร์แรก0892660574สองาีอีกทีนึง 0892660574อีกเบอร์หนึ่ง0 8 2 4์แปดสอ่าเอาอีกทีหนึ่งศูน4์แปดสอา่าสองห่งหมายเลขนะเอาส่งมาเลยเอาทีนี้ตอบเท่าที่เวลามี ใบแรกเนี่ยท่านบินก้าวทรงมามีคำถามด้วยสงสัยในระบบบุญนิยมจากผู้ตั้งใจจะเข้ามาศึกษาและมุ่งหวังอ า, อาจจะมาอยู่ด้วยหนึ่งชีวิตในสังคมบุญนิยมมีหลายฐานนะทั้งคนโสดที่พยายามส่งเสริมทั้งคนมีครอบครัว หรือที่อนาคตอาจจะขอมีครอบครัวเบิกจ่ายเงินใช้อย่างไรนั่นแน่ตีท้ายครัวเลยนะเบิกจ่ายเงินใช้อย่างไรอัตอมาพู้รายละเอียดไม่ไหวผู้รายละเอียดไม่ไหวครูไว้ก่อนครูไว้ก่อนเตรียมมาเบิกไม่ได้ก่อนเบิกอย่างไร เตรียมมาเบิกแล้วไม่ได้ก่อนมาเตรียมใจมาเลยเสร็จแล้วก็ม า, มาศึกษามาเรียนรู้ดูว่าโอ้เรามีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการขนาดนั้นขนาดนี้สมาชิสมาชิกขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสาขั้นสอะไรก็ว่าไปออได้รับสวัสดิการอย่างนั้นขนาดนี้ก็มันมั น, ม, นมันเยอะเหมือนกัน้ามันมีเชื่อมโยงติดต่อกันสวัสดิการเรามีนะเพราะถ้าเป็นสมาชิก จริงมขีขอบอกอันนี้ให้สมาชิกที่ขึ้นบัญชีแล้วเรียบร้อยเป็นสมาชิกในแท้จะได้รับสวัสดิการก็คือพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้แม้จะเจ็บจะป่วยในลักษณะต้องจ่ายเงินกันเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็ต้องจ่ายนะอย่างนี้เป็นต้นก็เบิกได้พึ่งได้อย่างนี้ในะอุ่นใจได้เรื่องนีนะ้แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวในขณะที่พวกนี้เนี่ย คุณเตรียมผิดหวังไว้เรื่อยๆแต่เรื่องเจ็บเรื่องป่วยนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกเขาช่วยนอกจากคุณจะแย่จริงเขาก็ไม่อยากช่วยเท่าไหร่ให้มัคกอยเต็มใจให้ไม่ค่อยเต็มที่เพราะคุณแย่อยู่ในนี่แย่แล้วก็คุณพยายามอยู่ในนี้ให้ได้ไม่ให้ผิดจนกระทั่งเขาไล่ออกคุณก็อยู่ได้ทุไทยไปแต่บอกครงๆเขาชังน้ำหน้าคุณนะ คุณก็ได้รับปานบริการก็แย่หน่อยแหละอันนี้มันเป็นสัจจะของมันตามจริงคุณไป็นมาหัวเน่าอยู่ในนี้แต่คุณก็ไม่ผิดกดจนกระทั่งก็ถูกไล่ออกนะคุณก็ไป็นมาหัวเน่าอยู่นี่ใครใครจะชอบคุณนะคนจะจ่ายเงินก็กไม่ค่อยจะให้คุณแหละใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนี่พูดให้ชัดๆนะพูดง่ายๆแต่ถ้าคุณโอ้โหเป็นคนดีเป็นคนที่โอ้ทุกคนจะต้องต้องช่วยตรงอะไร คุณไม่ต้องห่วงเลยที่นี่สวัสดิการนอกจากคุณจะมาตักราตการเสพจัดคุณก็แน่นอนคุณอยู่ไม่ได้ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็ยังมีซับซ้อนแต่ละคนแต่ละคนมาอยู่ในนี้ก็ใช่ว่าส่วนตัวจะไม่มีมุกมิบไว้ก็ไม่หว่ากกันของใครของคุณสุสจริตของคุณคุณก็ว่าคุณไติบางคนก็มีรายได้อยู่ข้างนอกก็อยู่ในนี้คุณก็ส่วนตัวคุณก็ไม่ว่าอะไรนะ คนที่เขาบอกว่าก็ข้นไม่เอาเราข้างนอกได้เขาก็เอามาเข้าข้างในหมดบ่ากันไปก็อยู่ที่คนบุคคลเราก็ไม่ได้ไปบังคับไม่ได้ไปเข็มงวดกดขันกันถึงขนาดนั้นอ้าวค่อยๆมานาค่อยๆศึกษาดีๆทุกวันนี้เนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้ยังเด็กๆ เ, เนี่ยอาจจะมาบอกนะว่าไอ้นี่มันสมบัติของเราทั้งนั้นเลยไอ้หนูเอ้ย มันเป็นสาธารณภคีลูกลูกล้นหลานเนี่ยแต่เด็กก็ยังไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่หลายคนพอรู้เรื่องก็เลยว่าเออไม่เป็นไรเราอยู่ที่นี่ไปจนตายถ้าอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะตัวใครตัวมันก็รู้ว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราก็อยู่นี่เราก็ทํางานไปทํางานฟรีรก็อยู่ในเนี้และก็ไม่มีสิทธิ์นะว่าเมื่อคุณอยู่ไม่ได้คุณออกไปแล้วคุณจะต้องเอาส่วนที่ว่าคุณทํางานมาต้องหักให้คุณแบ่งไปไม่มีไม่มีได้ คนจะอยู่ที่นี่ไปยี่สิปีแล้วโอ้โหทํางานฟรีอยู่ที่นี่ยี่ปีออกไปต้องขอแบ่งส่วนในี่สิไม่มีที่นี่ไม่มีใครหักออกไปได้เลยขลองที่นี่คุณออกไปก็เลยห่วงคุณเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆตัดสินใจดีๆตัดสินใจไม่ดีแล้วันนี้จะอกหักหน่าลำบากอ่ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่หหัจจรรย์อาตมาว่าสังคมนี้นี่มันมหัจจรนท์มันเป็นไปได้และคนก็กล้านะมาอยู่แล้วก็พยายามปฏิบัติตอนอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ก็สบายไปจนตายตายก็สงบดีด้วยเยอะตายพวกเรานี่แปลกถึงขั้นพวกเรานี่ตายไปแล้วก่อนตายตอนตายยิ้มพอตายแล้วหมดลมแล้วหน้ายัางยิ้มอยู่เลย โ oh. อ, อ้ยจริงๆนะเนี่ย โ, ล โ, ล โ, โยมอ ะ, อะไรอะนะเออโยมเหมือนคําพูดอาตมาบอกบอกดิฉันจะตายดิฉันจะยิ้ม <laughs> พอท่านบอกให้ตายยิม้มดิฉันจะยิ้ม <laughs> ก่อนจะตายก็ยิ้มจริงๆ <laughs> ไม่ใช่อาตมาเห็นคนเดียวนะคนอื่นเห็นด้วยก็ยิ้มจริงๆยิม้มคางเสร็จแล้วมันก็ค่อยหาย ก็ก็ตายตายดายยิมเป็นไปได้คนเราอะมันสงบถึงขนาดนั้นอะกรณีให้มันตายแล้วสงบไม่มีอะไรมั่งมันยังไม่ง่ายเลยเนาะมันยังยา ก, กวันดิ้นมันอะไรยังนักยากแต่นี่ตายรู้ตัวตายยิ้มกําหนดยิ้มได้มันเป็นอย่างไงเลยจิตวิญญาณคนมันมันถึงขั้นนั้นได้อโอ้โหนับถือเลยย่ามวนคํานี้ตายยิ้ม น, นี่อาตมาไม่ได้พูดเล่นมี พยายนหลักทานหลายผู้หลายคนเห็นด้วยกั น, นตอนที่แกตายสินใจ <c oughs> สังคมเราเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายก็ได้มีมา3 0ม0ปีแล้วจริงๆแล้วตั้งชุมชนจริงๆเนี่ยสังคมผสกก่อเมื่อพศสอ1 6รที่แดนราโขเริ่มต้นแต่มันจะมาเป็นชุมชนพศสอง ที่ปทมมโศกเป็นชุมชนแรกเดี๋ยวนี้เขาจะฉลองเนี่ยวันที่เท่าไรเริ่มต้นไหนวันที่ห้าหเหรอ5้าส่ 9, ใช่มีหลายวันสวันห้าวันเริ่มอะไร6ก8 9เออใช่สี 4, 6, 7, 8, ่วันฉลองชุมชนวันที่9ก้าฉลองชุมชนเขาจะฉลองชุมชนครบ30ปี ตั้งมาสามจพวกสอวันถึง57าชุมชน30ปีเขาได้พนวกอัตมาไปอายุสระแปฉลอง80ปีชุมชน30ปีแล้วฉลองอีกมหาปุรนา32อปีเลยใส่เข้าไปใหญ่เลยมหาปุรนาอีก32ปีฉลองกันคราวนี้เขากรเลยระดมพลพักกันบอกอ้าสิทธิ์เก่าใครใครหรือว่าสมาชิกเก่ามากัน ฉลองนานๆมันมีเรื่องงามยามดีที่เห็นหน้าเห็นตากันบ้างว่า ง, งั้นเอาอาตมาไปออกโฆษณาบอกอาตมาอยากพบหน้าว่า ง, งั้นอาตมาก็เคยพูดไปเขาก็เอาไปใช้เลยเออมาพบหน้ากันหนูก็ดีเขาก็เอาไปใช้เลยเนี่โฆษณาไปเลยว่าอาตมาอยากพบปราเขาก็เลยไปโฆษณากัน ว, ว่าว่าอาตมาอยากพบหน้าก็มาก็หน่อยก็ประกาศกันอยู่หาเสียงกันอยู่เนี่ยอ้าวยาวไปแล้ว 1.1 ตอนนี้โอ้ oh, มี 1.1 ดหนึ่งด้วยทํ 1. 1. ยานึ่งจนข้อหนึ่งว่าบุญิยมมีรายฐานะคนโสดอะไรต่างๆนานานแลเบิกจ่ายเงินใช่ยังไงตอบไปซะยาว 1.1 ทุกคนที่มีสมาอาชีพในชุมชนโดยเฉพาะในหน่วยงานที่ก่อเกิดมีไรายได้ของระบบบุญโยมที่มีหลายหน่วยงานเช่นร้านค้าผลิตปุ๋ยทําสมุนไพรทํายทขยะประยานใหญ่เมื่อเกิดรายได้ผู้ทํางานจะสามารถนําเงินไปใช้ในกิจบางอย่างได้เองเลย หรือต้องนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองกลางก่อนและเมื่อจะใช้ก็ค่อยมาเบิกจากกองกลางเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเลยอ่ะจมาตอบไม่ไหวในที่นี้นะตอบสรุปง่ายๆคณมาอยู่ในที่นี้ก็าจะทางานอยู่ในฐานฐานของอกกองกลางแม้แต่บริษัทบริษัทพลังบุญบุญนิยมเดี๋ยวนี้มีบริษัทเดียวแล้วยุกมาเรือบริษัทฟ้าภายัยเป็นบริษัทที่ทาการพิม นอกนั้นบริษัทคารนี่สาบริษัทรวมเป็นบริษัทพลังบุ ญ, บญนิยมพลังบุญบุญนิยมจํากัดไปหมดแล้วแต่ก่อนมีแดชีวิตมีขอบคุณจํากัดอะไรนี่ก็ยุบรวมเป็นอันเดียวได้บริษัทนี้ก็ตามถือว่าเป็นองค์กรซึ่งบริษัทนี้เราอนุโลมเงินเดือน 2,000 บาทตั้งมา20กว่าปีแล้ว 2,000 นตั้งแต่ต้นเดี๋ยวนี้ก็ยัง 2,000 สูงสุดและก็มีบางคนเขาก็ไม่เอา เขาก็เอาเข้ากองกลางหรือบริษัท ฟ, า, ฟาภัยตอนนี้กอเงินเดือนสูงสุด2อ0พแต่ก่อนนี่ 3,000 ันเขาตั้งไปตั้งไปมันจเจริญขึ้นบริษัทจเจริญขึ้นเขาก็เลยประชุมกันมาพวกเราจเจริญแล้วมาลดเงินเดือนกันเขาก็ลดเงินเดือนกันนี่คือการเจริญของชาวโศกหรือก็จเจริญของพวกสาธารณภูีพวกบุญนิยมเขาก็ลดเงินเดือนกันสูงสุด2อ0พบางคนก็สองพันบางคนพั0ห บางคนไม่เอาเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยบริษัฟ้าไปเขาทำํำนะส่วนทางนี้ก็สองพันไม่ไมนะ่น่าเน้รวมเหลือทั้ง0องแต่ก่อนนี้บริษัทแดชีวิตก็สามพันส่วนใครจะเอาน้อยเอามากกว่านั้นเอาน้อยกว่านั้นไม่มีปัญหาแล้เอาทอดสมวนกลางก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าสูงสุดมาเท่านั้นนะส่วนใครจะเอาเข้ากองกลางก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นอนะ ส่วนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยมีร้าน น, นร้านนี้อะไรต่างๆนานาเ น, นี่ยมันไม่ใช่ของส่วนกลางมันของส่วนตัวแต่ก็ผู้ผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็พยายามทากันไปโดยพยายามอยู่ในเกณฑ์นี่ว่าจะพยายามที่จะอยู่ในกรอบของการค้าแบบบุญนิยมขนาดนั้นก็ยังมีคนโอ้โหขอภยัยเถอะอาตมาขอใช้โอกาสนี้พอดีเลย เพาด่าหน่อยพวกมาคาอยู่ในที่นี้เนี่ยมาอาศัยหากินแล้วก็ไม่ค่อยซื่อตรงไม่ค่อยซื่อตรงไปแปรความเอาเองว่าตัวเองเบียเบ้ยวอะไรเบี่ยงอะไรทำอะไรนั้นนันนานาบางทีก็ทำให้อย่างอย อ, อยงี้เป็นต้นก็ไปปลอมแปลงไปอะไรต่างๆนานานี่เขาหมดตรวจแล้วอยอยจะมาตรวจหมดเลยก็พังไปหมดทั้งแถบเลยอย่างนี้เป็นต้น ปาตัวเดียวเน่าทั้งคลองก็ขอว่าหน่อยเถอะเนี่ยอัตมาขึ้นตน้นแล้วมาใช้คําว่าดา่าเขาด่าหน่อยเถอะอยู่ที่นี่หากินก็หากินไปจะทำยาทุจริตย่าแทรกซ้อนในสิ่งที่มันเป็นความไม่ดีความผิดอัตมาถือความผิดคุณจะมาตั้งราคาคุณมากกว่าอย่างง้นอย่างนี้ก็มันก็คู่กันเองแต่ไอ้ผิดนี่ไม่ควรทําอย่างยิ่ง คุณจะขี้โรคไม่ว่าของคุณคุณขี้โรคคุณตั้งของคุณราคาแพงอยู่ในนี้คุณก็ขายไม่ออกเองว่ามีราคาถูกกว่าใช่ไหมมันก็เป็นไปตามธรรมแต่ผิดเนี่ยซุกซ่อนบังทำแฝงอยู่ในนี้ขอเลยอย่าทาอาตมาก็ได้ยินมาหล่เชิงเลยมันบาปกว่าอยู่ข้างนอกนะคนทาบาปอยู่ในกองคนบุญ บาปมันราคาแพงกว่าคนไปทําบาปอยู่ในกองคนบาปมันต่างบาปต่างอะไรกันมันเปื้อนในกันมันไม่แพงหรอกราคาบาปแต่คนทําในคนบุญเนี่ยบาปเช่นคุณไปฆ่าพระอรหันต์อย่างเงี้ยคนฆ่าคนคุณฆ่าคนก็ฆ่าทั่วไปก็บาปเท่านั้นแต่คุณมาฆ่าพระอริยะพระฆ่าพระโสดากระดาก็บากว่าสกิทาก็บาก็่ฆ่าพระอรหันต์ดีไม่ดีคุณฆ่าพุทธเจ้าสิคุณจะได้บาปเท่าไหร่ ราคาบาปราคาบุญมันมีนะเพราะฉะนั้นอย่าทําบุญมันจริงบาปมันจริงนะกุศลมันจริงอ ก, กุศลมันจริงนะนะอาตมาก็ขอตัดไปว่าตอบไม่ได้นะอาตมาตอบไม่ได้คนที่มีครอบครัวเข้ามาหรือมามีครอบครัวใหม่ด้วยตนเองทํางานให้ส่วนกลางหากเกิดลูกเต้าอาจจะอยากกินขนมหรือพักผ่อนนอกหมู่กลุ่มแบบส่วนตัวจะเบิกจ่ายยังไงหรือว่ามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องหมด กิเลสพวกนั้นแล้วหรือต้องฝืนใจตนเองขอบคุณครับ <S <S 1> <S 1> มันละเอียดมากคุณมาอยู่ที่นี่แล้วคนมีน้ําใจในที่นี่มีคนที่เขามีเงินส่วนตัวมีเขาเกื้อกูลกันไปคุณทําตนเองให้ดีเธอคุณมีลูกมีเต้าถูกที่นี่คุณไม่ต้องกลัวหรอกเขาเอ็นดูมันในน่นในนี่พอสมควรเขาให้ไอจะไปมอมเมาไอเด็กขเขาก็ไม่ให้เขาก็จะช่วยกันขัดเราไอส่วนที่เขาจะไอนู่นในนี่ก็นนจะให้เด็กมาก ไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่นะี่เมตตากันเลี้ยงดูกันเด็กที่นี่เหมือนเด็กสาธารณะบางคนนินไปตลอนติดลอนที่ไหอ้าวพ่อแม่เด็ก ก, ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะกลับมาแล้วมาถามหาลูกเอ้าอยู่บ้านไหนอ้าวอยู่บ้านนี้ามามากลับมาแม่มาแล้วพ่อมาแล้วอะไรเงี้ย <c ười> คือมันไว้ใจกันได้แล้วมันก็เลี้ยงดูกันเป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งอาตมาภูมิใจมากเลยธรรมอาบมุขเจ้าเนี่ยมันเป็นพาราดรนภาพที่แท้จริงมันเป็นพาราดรนภาพพี่น้องกันจริงๆพึ่งกันได้ช่วยกันคนลไม้คนละมือเจ็บแก่คนแก่คนเจ็บคนป่วยอะไรก็ดูแลกันไม่ว่า พ, พ่อใครแม่ใครพี่ใครน้องใครไม่ว่างกับคนนี้มาช่วยดูแลกันหน่อยคนเจ็บคนป่วยก็ดูแลกันไปตอนนี้ก็คนแก่เยอะขึ้นโอ้คนดูแลคนแก่นี่ก็ ก็บอกให้สติกันใครจะไปช่วยกันบ้างอย่างปฐมทรงเนี่ยน้ำดินหนักคนแก่โอ้แต่แกก็มีใจตายคามือไปเยอะแล้วแกจนเท่าตอนเดียวนี้ก็เลือกเกากว่าอยู่หลายคนเหมือนกันนะบกว่า90กว่าก็มีคือคนแก่มาอัตมาจะตั้งอัยราภพิบาลเนี่ยมันก็ยังไม่สำเร็จยังไม่องค์ประกอบยังไม่พอพวกเราก็ไม่ค่อยอยากอยู่คนแก่ก็ตาม มัก็เลยว่าโอ้มันยังไม่ดีพอเอาเดี๋ยวจะยาวเกินนะบ่นไปก็เท่านั้นมันยังทําให้เสร็จก็ก็ทําไปแต่ก็ถึงยังไงก็อาตมาว่าก็ยังอบอุ่นะเอาคุณสนใจก็ดีแล้วนะก็มาศึกษามาเข้ามาสังสรรค์เข้ามาอยู่มาพักทีละเดือนสองเดือนอะไรคุณก็จะรู้มันไม่ต้องถามเพราถามอาตมาอธิบายไม่ได้มันรายละเอียดซับซ้อนเยอะพะวกมันเกิดจากกิเลสคนนะด้วยมันเยอะ แต่ที่นี่เราพออนุโลมกันเราก็อนุโลมกันไปบ้างไอ้ที่ใครที่ตั้งใจจะแข่งก็แข่งไปแต่ละคนตัวใครตัวมันนะมันมีเกณฑ์ของมันอยู่ก็ทํากันไปช่วยกันดูแลน ะ, ะลูกชายผมเนี่เจ้าใหม่ละลูกชายผมฝากถามว่าในวันออกพรรษาที่พระพุทธเจ้าหลังหลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวบนึงแล้วสามารถ เห็นภูมิทั้งสามคือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และนรกนั้นเป็นจริงหรือไม่ครับเช่นไรพราะครูจะอธิบายเป็ดอย่างเป็นสมาธิให้ได้อย่างไรครับโอ้โหอาตารมารแหมอยากอธิบายเลยนะในเวลามันน้อยไอที่พูดนี่มันเป็นปุกลาธิษฐานคนเข้าใจอย่างเทวนิยมพระมารดาที่สิ้นประชนไปแล้วของพระพุทธเจ้า คุณก็เข้าใจเป็นตัวเป็นตนไปอยู่ในสวรรค์หชั้นนี่นะสวรรค์ชั้นจะจะตุมาราชิกาก็ตามดาวเรื่องย่ามาอะไรก็ตามฤาษีก็ตามจนกระทัง่งปรินิมิตวัปสปัะตีนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องของจิตทั้งสิ้นมันไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอะไรหลอกนะ เพราะฉะนั้นจะบอกโปรดมารดามารดาไปอยู่ดาววดึงนั้นก็หมายความว่ามารดายังไม่ได้เป็นผู้ที่บรรลุถ้าผู้บรรลุอราหันต์แล้วจะไปอยู่ดุสิตถ้าเป็นโพธิสัตว์ไม่เป็นโพธิสัตว์ก็ตายก็ปฐมิณพานไปแต่ถ้ายังจําต่อภพภูมิอยู่ก็ไปอยู่ดุสิ์ดุสิตเท่านั้นเป็นแดนที่พระอริยอราหันต์อยู่นอกนั้นก็อยู่ตามภูมิเพราะฉะนั้นดาวดึงคือแดนสวรรค์ จตุมหาราชิกาเนี่คือแดนผู้แย่งชิงหาสวรรค์ถ้าโลกีก็เป็นสวรรค์แบบหนึ่งก็ล่าเลยเจตุมหาราชิกาเนี่แยกเขียวกันอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองยักษ์ทั้งนั้นนะ่ะยักษ์สี่ทิศทั้งนั้นเนะจตุมหาราชิกาแย่งลาบยอดเสอร์โลกีสุขนะสีหภูมินี่มันไม่ใช่ของโลกุตระหภูมินี่มันของโลกิยะ พระมารดานั่นน่ะโดยจิตวิญญาณ น, นั่นน่ะก็เอาจิตพระมารดามาเรียกพระมารดาของพูุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นแม่โซดาบันนะเป็นกัลยาณชนก็อยู่สวรรค์ดาวดึงส่วนยามานะัคือกาลเวลาของผู้ที่เ ส, เ ว, รสวรรค์ส่วนดุสิตนั้นสงบส่วนพวกนิมานารดีปรินมุสตีนะันคือ มันารมีอำนาจของเขาถ้าเขามีอำนาจในมาเรดีก็บรรดาลเองสร้างเองทําเองได้ส่วนประเด็ว่าสวัสดีเราสบายแล้วคนอื่นทําให้หมดอะไรงนี้เป็นต้นนี่อธิบายสั้นๆว่าจะอธิบายสักวันละเอียดๆเหมือนกันละภูมิสี่ของเทวดาเอาละผ่านเขาไม่ได้ถามประเด็นพวกนี้เขาถามว่าไปโปรดมารดามารดาที่ว่านี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่พระมารดา ผู้ที่มีความเป็นอิทธิภาวะแม่เป็นเพศชนิดหนึง่งหมายถึงพระภิกษุทุกรูปพระภิกษุทุกรูปนี่คือผู้ช่วยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระภิกษุทุกรูปเป็นแม่พระสารีบุตรนี่เป็นแม่ใหญ่พระโมคคัลลานะนี่เป็นแม่อีกองหนึ่งสำคัญท่านเรียกพระสารีบุตรเป็นแม่เลี้ยงพระโมคคัลลานะเป็นแม่นม เรื่องของจิตวิญญาณท้งนั้นแล้วยังอธิบายว่าพระพุทธเจ้านี่นะอธิบายทำมาให้พระมาณดาฟังเนี่ยภาษาดิบุตรแอบอยู่ใต้ฐานภพภูเขาอะไรภูเขาระษารีบุตรแอบฟังได้รับรู้หมดเลยได้ยินหมดมันเป็นปุกชญาทฐานท้งนั้นคือผู้ที่มีสาระเอาสาระได้สารีปุตโต เอาเนื้อหาขารสาระแก่นของธรรมะได้ได้มากได้น้อยตามบารมีเพราะผู้ใดที่ฟังธรรมะพรเจ้าหรืออยู่ในนั้นนะก็เหมือนภาษารีบุตรก็เอาใชมเหมือนแอบฟังเอาเพราะการโปรดนี่ก็คือโปรดแล้วไปอธิบายว่าท่านจำพรรษาสามเดือนท่านโปรดบารดาสามเดือนท่านไปโปรดบารดาอยู่ดาวดึงสเดือนท่านก็ไปจำพรรษากับพระสิงน้น่ะ ท่านก็ไปจำปัญหาอยู่สวรรค์หมดทั้ง3เดือนถีงั้นน่ะโอ้ท่านก็อยู่กับพระทั้งหมดนั่นแหละดาวดึงส์ท่าโปรดแม่อันนี้่น่ะแล้วทีนี้เอาละอีกประเด็นหนึ่งถามว่าโปรดแม่แล้วก็บอกว่าเห็นโลกทั้งสมก็ผู้ที่เกิดญาณปัญญารู้หมดเลยสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พรหมเห็นหมด เข้าใจหมดเพราะเกิดยานปัญญารู้สัตว์โอปาติกะทั้งหมดก็เกิดยานปัญญารู้เพราะฉะนั้นท่านเปิดโลกอันนี้เพราะฉะนั้นภิกษุที่อยู่กับท่านจำพรรษาสุดสู้สร้างล ะ, ะเตปัญญังฟังด้วยดีเกิดบรรลุธรรมก็เห็นความเป็นสัตว์ก็กําจัดสัตว์ได้ดีนักอัตมาอธิบายพื้นความเป็นสัตว์อะไรมาหมดแล้วพวกเราฟังก็จะเข้าใจผู้ที่ยังไม่มีพื้นของขออภายัย น, นี่คือนัยยะของปรมัตาร์นัยยะของสัจธรรมโลกุตระแต่เป็นปกรกชญาที่ท น, นี่มันเยอะมันมากอธิบายแถมคนนั้นก็สร้างนิทานคนนี้น ก, นนก็สร้างเรื่องโอ้เยอะอาตมาละใครไม่ไหวใครปกรกชญาที่นันมาเป็นนนั้ธรรมารที่ฐานไม่ค่อยไหวนันเยอะเกินเอาเวลาจะหมดแล้วเร็วๆหน่อยนึงเอาผ่านนะเอ า, เอาค่อ ย, อยตั้งใจฟังไปเรื่อยถึงได้เวลาอื่นอาตมาก็จะได้ขยายความเยอะ จากนุเกจันทบุรีทำไมคนเราชอบทำบุญกันวันเข้าพรรษากันเยอะเยอะกว่าวันออกพรรษาที่เก๋ไปทำบุญเห็นคนไปทำบุญวันออกพรรษากันน้อยมากทาไมอ่ะทำไมอักคะจานวนของสมัยดีเขาทำไมอักคะถามว่าทำไมชอบไปทำบุญกันวันเข้าพรรษาส่วนวันออกพรรษาไม่ค่อยทาประเด็นว่างั้น เห็นคนไปทำบุญมันออกพรรษากันน้อยมากแต่มันออกพรรษาในบโหแกไปทำบุญหนเยอะว่างั้นนะทำบุญเข้าพรรษากันเยอะแต่ออกมันน้อยมันเมื่อยมั้งเข้าพรรษามันก็นานกว่าจะเข้าพรรษาก็ผ่านไปตั้งเเดือนก็เข้าพรรษามันก็เลยมีแรงไปทำอีกสเดือนเท่านั้นออกพรรษาแล้วก็เลยเมื่อยก็เลยไม่ค่อยไปกันนี่ก็ตอบง่ายๆดื้อ ราชการไม่หยุดเหรออ้าวดังนี้บอกมาข้อมูลหลอดข้อมูลหลักว่าราชการไม่หยุดงั้นก็คนชาวบ้านไม่ไปกันล่ะชาวบ้านมันมากกว่าราชการน่ะก็คงจะมีเหตุอื่นบ้างนก็เป็นไปได้นะเหมือนกันก็ น, นี่เจครั้งที่สองนี่คนน้อยกว่าเจคั่งแรกโอ้โหฮืหอฮากันมากเลยรั้งที่สองนี่ไม่คนฮือฮาท่าไหร่เหมียนกันแนะต่มาว่า ผ่านเจมาเดือนหนึ่งเดือนแรกครั้งแรกโอ้โหคืองานครั้งที่สองเนี่ยจืดหน่อยไม่ก็อะไรนักนะอาตมาก็ไม่รู้นะเหตุปัจจัยว่าทำไมคนไปงานเข้าพรรษาหรือคนไปวัดไปวาเยอะก็ขอแวะให้ให้ปัญญากันแล้วกันพระพุทธเจ้าบอกว่าความเสื่อมข้อที่หนึ่งคือไม่ไปพบภิกษุภิกษุยิ่งทุกวันนี้ก็อยู่วัดอ่แหละเนาะ ก็ต้องไปวัดไปวาไปพบภิกษุกันก็เลือกวัดหน่อยนะขออาภัยถ้าไม่ได้วา่าแต่วัดบางวัดก็อย่าไปเลยถูกเลียถูกลวงห <c oughs> นักอาการหนั ก, น ก, นกถูกมอมเมาเละเทะนะบางวัดบางวา่าเอาวัดไหนที่ดีๆก็พากันเลือกๆหน่อยนะเข้าไปการไปพบภิกษุนั่นเป็นมงคลด้วยเป็นและควรจะศึกษาจากอันมาขึ้นตอนแล้วว่าชีวิตที่มันควรจะศึกหาธรรมะอันอื่นมันไม่มีอะไรดีหรอก มันมีให้เราเมามายวนเวียนอยู่ในวันัด่สงสารนี่เท่านั้นนะอนเอาล่ะอาตมาขอไว้อันนี้เท่านั้นนะ่ะนิดเดียวมันเวลาไม่มีแล้วเอาต่อมาเจ0 8พ่อครูคะโคจรรูปคืออะไรคะออาตอบสั้นๆคือสิ่งที่คุณจะต้องรู้พาว่าคุณประพฤติปฏิบัตินี่แหละคุณดำเนินการที่จะมีประพฤติพฤติกรรมอะไรคุณออกไปตามภาษาตามระษาของคุณ วิสัยวิสัยรูปท่านก็เรียกตามที่คุณจะมีนิสัยวิสัยที่คุณจะทําคุณก็ทําไปตากระทบรูปมันคู่กับประษาธรูปคือทํางานดําเนินทางตาหูจมูกลิ้นกายของคุณทํางานกับวัตถุนอกมีรูปรถกินเสียงสัมผัสมันสัมพันธ์กันเมื่อไรขึ้นมาก็คือคุณจะต้องอ่านรู้อันนี้คือปภาษาธรูป เช่นตาคุณมีตาแต่คุณไม่ใช่ประสาทเลยประสาทไม่ดีแล้วคุณเอาประสาทไปใช้ทางไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปใช้ทางที่คุณตาคุณกระทบรูปอยู่นี้หรือหูคุณหรือเสียงมันมาแต่คุณไม่ได้เอาประสาทไปรับเสียงนี่เลยคุณเอาประสาทไปรับเสียงฟังังไอ้อะไรหูนี่แหะโอ้คนตะโกนเรียกทางเท่าไหร่ไม่ได้ยินน่ะได้ยินแต่เสียงไอ้ติดอยู่ในนี้ อัตมาว่าสักวันมันเดินชนรถยนต์ตายเดินชนรถยนต์ตายอย่างนี้นตั้งสมาธิอยู่กันตรงนี้ไม่เอาประสาทไปรับพระโครจะระก็คือคู่กับการดําเนินสภาพสองอย่างผสมสองอย่างสัมพันธ์กันสัมผัสกันแล้วก็จะเกิดการดําเนินขึ้นมาเกิดวิญญาณเกิดวิญ ญ, ญาณเอาสั้นๆเอาต่อมาจากคุณสุข ได้เมื่อใจพอนั่นแน่พยาบาลจังหวัดตรังคุณถูกได้เมื่อใจพอแพทย์พยาบาลที่ให้ยาผู้ป่วยด้วยปรารถนาดีแต่ยานั้นบางตัวมีผลข้างเคียงร้ายแรงหรือมีเครื่องสำอางด้วยค่ะอย่างนี้เข้ามิจฉาอาชีวะไหมคะ <c oughs> โอ้รายละเอียดมันเยอะอาตมาคงตอบรายละเอียดไม่ไหวหรอกย่งคุณมาบอกว่าโอ้โหบางทีมันมีเครื่องสาอางด้วยอะไรเงี้ยโอ้ย ยาไม่คือซ้ำอางด้วยมันคืออะไรเออพลาสติกเจอร์ออรี่เหรอโอ้โหไปใหญ่เลยงั้นนะอา้ามันกว้างเกินนะอาตมาตอบไม่ไหวหรอกอ่า ต, ตามฟังแล้วกันพิจารณาไปเรื่อยๆดีๆตามฟังดีๆมันรายละเอียดมันมีเยอะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้นอนมอมเมากันจนกระทั่งไม่รู้ว่าเอยนี่มันโรคดวยสวรรค์กันแน่ไม่รู้กันเลยเยเอะเทอะกันไปหมดนะ ก็ติดตามดีๆอาตมาไม่มีเวลาที่จะขยายความทันทีตอนนี้อาไว้วันหลังถ้ามันรายละเอียดเอารายละเอียดทมามากกว่านี้ก็ได้นะไว้วันต่อไปอจากกรทมคนไม่รู้ว่าตัวเองตายเขาคิดว่าลูกเมียยังอยู่ด้วยหรือเปล่าโอ้โหทลวงไปจนกระทั่งตายแล้วโอ้โหกายสังเพทาปรมรนา หลังจากการตายแล้วกายแตกตายแล้วไปถามอิตอนุ่นปรำมรณาหลังจากตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วเขาคิดว่าลูกเมียยังอยู่ด้วยหรือเปล่างัา้นนะอ้าวตอบพอที่จะตอบกันได้เท่าที่เวลามาีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยสัญญาความจําความยึดถือยังมีอยู่ตายไปใหม่ๆเนี่ยแน่นอนคุณจะต้องนึกถึงห่วงหาอาวอน แล้วก็ห่วงหาอววารึกถึงนั่นแหละคุณตายแล้วมันก็ไม่มีแล้วลูกเมียก็มีชีวิตคุณก็ไม่มีชีวิตคุณไปอยู่อีกภพหนึ่งคุณไม่มีแล้วตาหูจมูกลิ้นกายคุณไม่มีแล้วร่างกายเขาไปเผาแล้วคุณจะไม่รู้หรอกตอนแรกว่าคุณตายและส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้นะ ไม่รู้จาเป็นไงตกนรกตรงนรกคืออะไรคุณก็จะนึกว่ามีเหมือนมีชีวิตอยู่คุณก็จะดิ้นไปอย่างโน้น อ, อย่างนี้ตามภาษาเหมือนคนฝันเรื่องเลอะเทอะเยอะแยะไปหมดเลยและคุณก็จะเมาไปหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมนี่นึกถึงเมียก็ปั้นสร้างลูกเมียขึ้นมาปั้นนึกถึงลูกก็ปั้นเรื่องลูกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เป็นจริงไง ขาดขวินวินอย่างนั้นอย่างนี้เละเทะไปหมดเลยไปได้ก็ไปคิดนั่นคิดนี่ต่อมัอนฝันมันเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรสับสนวุ่นวายนรกลเลอะเทอะเพราะงยิ่งห่วงหาเอ ว, วังก็ยิ่งดิ้นมากยิ่งด้านดิ้นมากความเลอะเทอะก็ยิ่งมากนรกก็ยิ่งเยอะทุกก็ยิ่งเยอะอตมาอธิบายกรรมวิบากอันนี้ไม่ไหวอจย์จินไตอันนี้อธิบายไม่ไหวพูดที่คร่าวๆได้แค่นี้นะ เป็นแต่เพียงถามมาว่าแล้วเขาจะรู้ไหมว่ า, าลูกเมียยังอยู่เขาไม่รู้หรอกเขาตายแล้วก็จะไปรู้ได้ไงเขาไม่รู้เขาก็จะหลงจนไปจกตกนรกแลวคุณคิดถึงพ่ถึงเมียอะไรไม่ได้แล้วคุณก็ต้องถูกทรมานตระกราบไปอย่างที่คุณเวลาคุณฝันนี่นะคุณไปกับไอ้เรื่องราวที่บ่บ่บอบ อ, อะไรคุณไม่ได้นึกถึงหก ไอ้สมบัติทุกพัฒนาลูกเมียอะไรด้วยว่าความรักที่คุณมีคุณก็จะต้องไปกับไอ้เรื่องวุ่นวายเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นและคุณก็จะหาทางแก้ไขไอ้เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายนั้นแต่มันแก้ไขไม่ได้เพราะคุณไม่มีขันห้าคุณไม่มีตาหูจมูกริ่นกายคุณไม่มีอนี่แล้วคุณตายไปแล้วคุณดิ้นคุณไม่รู้ว่าคุณตายคุณไม่รู้ว่าคุณไม่มีดินน้ำไฟลม มันจะดิ้นบ้าบบอๆยิ่งกว่าคนติดฝิ่นติดเต้าติดอะไรอะไรมืดมัวไม่รู้เลยบ้าบอพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยสมมุติอะไรเขาไม่รู้เรื่องเลยจะฆ่าจะแกงจะตีจะด่าจะทําอะไรเลอะเทอะแต่อันนั้นมันยิ่งกว่ามันมีต่างๆนานาคุณก็ทําไปสิ่บ้าบบอๆอะไรที่ไม่มีอะไรเลยสารพัดที่คุณจะเป็นไปเส็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรตอบสนอง เขาก็ยิ่งบ้าใหญ่ผู้คิดดูถว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนเพอไ ะ, ะยิ่งยึดมากถือมากนี่เราของเรานี่ทรัพย์ของเรานี่เมียเรา น, รานี่ลูกเรานี่คู่รักเรานี่เรามีเจ้าอำนาจนี่ลูกน้องเรานี่อะไรเราเอาเธอคุณยึดก็ไปเธอแล้วก็นรกยิ่งมากยึดดังเท่าไรก็นรกมากเท่า น, นั้นนะอธิบายได้เท่านี้นะอ้าวแผ่นสุดท้าย อยากเรียนถามพวกครูว่าพิธีพุทธาภิเศษปลุกเสกพระที่พระเขาทำกันเป็นมิจฉาทิฐิไหมคะตอบสับทงมิจฉาทิฐินรกทั้งสิน้นตอบสับทงร้ายแรงมากว่าหนักเลิกได้ดีถ้าเลิกไม่ได้โกรธอตาตมาคุณยิ่งซวยถ้าคุณโกรธอตาตมายิ่งซวย ปลุกเสกพระนี่ยนะอัตมาก็เอามาทําใช้ภาษาสัพว่าปลุกเสกปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธไม่ได้ปลุกเสกเหมือนอย่างที่เขาปลุกเสกกันปลุกเสกพระเรื่องปลุกเสกอะไรแตนะ่ไรนั้นนั่นแหละนะรกแท้ๆหลอกลวงกันแต่ยังมีโอ้เกจิอาจารย์มาปลุกมาอะไรต่าง ๆ, ๆ, ๆนาน า, นาเลอะเทอะทั้งนั้นเลยไม่ใช่ลัทธิพุทธนอกรีตทำให้ศาสนาเสื่อม ไม่บาปได้ไงทำให้ศา ส, สนาเสื่อมใครทําอยู่เสื่อมทั้งนั้นพูดตรงๆเนี่ยแหละจะโกรธกันก็โกรธไปอาตมาไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะอาตมาไม่ได้โกรธคุณที่พูดที่พูดนี่อาตมาไม่ได้โกรธคุณนะแต่พูดด้วยการนิคคันเฮนะแปลนิคคันเฮเนี่ยแปลให้นักหนักวา่าด่าแปลสวยๆก็ว่าตำหนินะ ตำหนิติเตียนสิ่งที่ควรตำหนินะเพราะที่เขาทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพิธีปลุกเสกพระนั่นคือหมายความว่ามาสอนมาบอกกันมาพระอบรมพากันอบรมเพื่อให้เกิดไปเป็นผู้เจริญเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้บรรลุธรรมไม่ใช่เป็นปลุกเสกอิฐหินดินปูนอะไรโลหะแท่งก้อนอะไรไม่ใช่เลยนันมันอุตริไม่ใช่อุตริมนุษยธรรม อุตรีเรื่องวิถีฐานและอุตรีเรื่องนอกรีดเรื่องสร้างบาปสร้างบาปให้แก่ตนทำลายาศาสนาไม่ใช่บาป น, น้อยๆหรอกบาปมากเพราะใครส่งเสริมอยู่นั่ยก็สนับสนุนโอ้โหเขาเป็นลงโฆษณาเขาไปอะไรตออะไรบาปต่อกันไม่หมดแหละช่วยเขาสนับสนุนบาปหมดปลุกเสกพระเครื่องรางของกลา ง, งไม่มีในาศาสนาไม่มีของพผุด มันเพี้ยนมาจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเนื้อเอาอะไรก็งมันถึเป็นเรื่องนรกเอานารกมาใส่ศาสนาข้อไปที่พูดแรงมันไม่แรงหรอกมันถูกต้องมากเกินไปมาพูดชัดเกินไปอะหาว่าปากจัดแต่อัตมาปากชัดเกินไปนก็ขอว่าเถอะเพราะยังไงไง่ายอัตมาก็อายุ80บแล้วบวชมาตั้ง4 4่สินสาพรรษาแล้วก็ไม่น้อยแล้วก็ขอว่าหน่อยเถอะ พรตมาเองกัอาตมาเนี่ยบูชาเคารพศาสนาก็ขอพูดจริงๆนะถ้าหยุดได้หยุดถ้าหยุดไม่ได้ก็ผ่อนเบาลงบ้างมันบาปนะมันไม่ใช่บุญเป็นด้านอะไรเลยแล้วก็ไปใช้เรื่องหาเงินหาทองสร้างแมฉันขลังฉันอะไรอะไรอาตมานี่เล่นมาหมดอาศัยศาสตรเดี๋ยพระเครื่องพระอะไรอะไรอาตมาปลุกเองหมดทั้งนั้นะปลุกเสกเองมาทั้งแตเป็นฆราวาสแต่มาเป็นพระนี่ไม่ทำหรอกเพราะมันผิดมันบาปเพราะนั้นก็ต้องขอ รงบัตรเราตั้งแต่เป็นคาลวะธรรมมันก็ไม่ถูกเหมือนกันไม่ดีอาตมาทำทำเองอพระเครื่องพระบูชาพระอะไรแต่อะไรเนี่ยโอโ้โห ร, รุ่นระดับสุโคไทยของจำพลสลิดไปขอมาถอดแบบเขายืมมาถอดแบบถอดแบบปุ๊บหล่อทองเหลืองเลยหล่อสำลิดน่หลอ่อโนะอ้โหตอนนั้นขายองค์ละพันห์าเองเสร็จแล้วก่อนไปอาตมาปลุกเสกให้หมดเสร็จเรียบร้อย ตอนก่อนนี่องค์พหน้ามน่าตักขนาดนี้อัตมาก็จจำไม่ได้แล้วมันมนตักไะไรสูงสูงโคไทยจำได้องค์ใหญ่ทำแค่นั้นนะ่ะองค์เล็กๆไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดพูดมากกับเสียมากพอทำเสียมาแล้วอ้าวสาหรับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดจเจริญธรรมทุกคน